ออกสรวจ จ, จิตใจนะเนี่ทางขวามือขงอยู่าหน้าเป็เสียงไปข้างหน้าเานใ น, น, น, นแบขอเป็นที่ลันลึกแก่ภาษาวิบูภาษาวิบูภาษาวกเอเนยเป็นผู้ที่พระพุทธกเจ้าทรงยกย่องมากเลยนะทั้งหนึ่งมีพระก็มารวมกันรูึกจะอยู่ที่วัเดเจตวันนะ ก็มีทั้งพะระมีฤทธิ์พรโมกขาร น, นะคือล้วนแล้วแต่พระที่มีคุณสมบัติพิเศษโดยเฉพาะพร ะ, ะมีฤทธิ์างโน้นทางนี้เป็นพิเศษเลยทีนี้ก็ไม่มีใครพูดถึงภาษาลิบุเพราะว่าภาษาลิบุตรนี้เป็นผู้ที่มีปัญญามากจุ้ปัญญาจากฤทธิ์ทางนอกที่แสดงออก ไอ้ไอ้ถามีฤทธิ์มีอะไรมีอัคคี ญ, ญามีอะไร ท, ที่พิเศษเนี่ยเราพูดออกไปแล้วคนจะสนใจมักพระพุทธเจ้าก็เลยพูดถึงคุณธรรมของภาษาลิบุขึ้นมาว่าเป็นผู้ที่มีสติปัญญามากกว้างขวางมากแล้วพระพุทธเจ้าก็เลยเล่าถึงการบรรทุธรรมของภาษาบุบ ว่าตั้งแต่ได้ในฟังธรรมของพระอัสสกิแค่ฟังธรรมว่าทุกอย่างเกิดแต่ถตุเมื่อเหตุดับผลก็ดับนี่ทังแค่นี้บรรลุธรรมเลยนะอันนี้เป็นสิ่งที่รับรองได้ว่าคนที่ฟังธรรมแล้วก็ประพฤติปฏิบัติธรรมจนเข้าใจแล้วก็สังสมเอาไว้ในจิตเก็บเอาไว้ในจิตจนกระทั่ง อินทรีมันแจ ก, กแล้วมันบริบูรณ์สมบูรณ์มันถึงเวลาที่จะบรรลุธรรมแค่ฟังธรรมว่าทุกอย่างเป็นอะ เ, เมื่อเหตุดับผลก็ดับภาษารีบุนิแทงทะลุเข้าไปหาจิตเลยนะก็เหตุก็คือจิตเราที่มันหลงนั่นเองที่มันไม่รู้ความจริงคภาษาลีบุนค้นอยู่ตลอดแล้วแต่ว่าไปมองออกจากข้างนอกอ จ่งออกไปข้างนอกเพราะเหตุนั้นเพราะเหตุนี้เพราะคนนั้นเพราะคนนี้เพราะเหตุการณ์ตรงนั้นตรงนี้อ่ะเหมือนเหมือนพวกเราอะ่ะถ้าไม่รู้หลักก็จะพยายามที่จะซัโทษออกไปข้างนอกเหมือนกับว่าสิ่งที่ทําให้เราเป็นทุกข์เนี่ยมันอยู่ข้างนอกแต่จริงๆแล้วก็คือมาจากความหลงซึ่งดินจิตมันเป็นเหมือนยึดเอาเรื่องราวข้างนอกมาเป็นเรื่องราวของตัวเอง แล้วก็ทำให้จิตใจของตัวเองเนี่ยเป็นทุกข์ได้พกพาะการี่บุญเยอ่สแสวงหาอยู่ต ล, ลอดเลยขณะไปบวชเล่าเรียนอยู่กับสำนักสำนักของสำนักไทยบาอาจารย์แต่ว่าไปอยู่แล้วก็เห็นว่ามันไม่ใทางออกไม่ใช่ทางที่จะบับทุกได้ก็เลยปดลงกับเพื่อนซึ่งคือพระโมคคัลลานะเนี่ยโกริจัก พระชายริบุตรนี้อุปาติจักก็เลยบอกว่าเออตรงนี้ไม่ใช่แ ล, ล้ว่ะเราออกไปแยกกันไปแสวงหาธรรมะถ้าหากว่าใครรู้ธรรมเห็นธรรมหรือว่าบรรลุธรรมแล้วก็ให้มาบอกกันพระชายริบุตรพอแยกจากพโมคขลานะแล้วและวตอนนั้นเนาะตอนนั้นยังเป็นโยมอยู่นะยังไม่ได้เลืนะ่อแล้วแยกออกจากเพื่อนแล้วก็ออกมามาก็มาหินขาสติ พาสกี้เนี่ยอตอนนั้นก็หุ่งได้คําสาเดียวนะพึ่งบวชตอนที่ฟังธรรมพระพุทธเจ้าฟังธรรมธรรมาจักกตวรรษสูตรพระอัญญาคุณธรรมยะบรรลุธรรมวันแรกวันต่อมาก็จะไปย้ําลงไปอีกอย้ําลงไปอีกสองสามวันต่อมาพระอาสกีก็บรรลุธรรมจากนั้นก็ฟังอนละตะลักขณะสูตรหมายว่าฟังเรื่องอนิตมร สิ่งที่ไม่มีอะไรเป็นตัวเราเป็นของเราภาสิะชิกก็บรรลุเป็นพระอรหันต์แล้วก็บวชในธรรมดินในของพุทธเจ้าต่อมาพุทธเจ้าก็ออกพรรษาแล้วก็พุทธเจ้าก็สเสด็จมาที่กรุงราชคฤห์ภาสตะชิก็ตามมาด้วยจังเล็กก็พอออกไปบินท บ, บา่ากาลิบุตรตนนั้นเป็นอุปติสระอยู่ก็มองเห็นและคนที่แสวงหาความสงบ ตก็ต้องมีความสงบบ้างมองไปมันก็กระทบกับสภาวสติซึ่งท่าทางก็สงบอยู่ข้างใ น, นสำรวมระวางผิวพันก็ผ่องใสก็คิดลำพึงว่าเนี่ย อ, องเนี้ยผิวพันก็ผ่องใสท่าทางก็สงบก็คงจะมีทาเป็นแน่คงจะรู้ทาเป็นแน่ก็ตาม ติดตามรอจังวะ พ, พ่อข้าสักีบินทบาสเสร็จก็ออกจากที่บินทบาสเรียบร้อยแล้วภาษารีบุตรนี้ตอนนั้นเป็นอุปติศักก็รีบเข้าไปหาผิวพันของท่านาแข็งใสหน้าตาของท่านานุ่บานท่านตอนเนี้ต้องรู้ทำเห็นทำเป็นแน่ถามว่าใครเป็นศาสตรา ข, ของท่านแล้วศาสตรา ข, ของท่านสอนว่าอย่างไงพ่อสักีบก็บอกว่าเออเราเนี่ยเป็นผู้บวชใหม่นะ แต่ว่าพระพู้เ็เจ้าเป็นศาสดาของเราธรรมดาพระศาสดาของเราเนีสอนว่าทุกอย่างเกิดแต่เหตุเมื่อเหตุดับผลก็บักแคงนี้เองแทงเข้าไปเลยนะเหอก็คือความหลงอยู่ในจิตอวิชามีอวิชามีความลห่งความหลงมีความยึดมั่นถรือมั่นเกิดขึ้นในจิตถ้าไม่เป็นหลงยึดเอาสิ่งนั้นสิ่งนี้มาเป็นของเรามันก็จะวาง วางแม้กระทั่งร่างกายความรู้สึกนิพิจิตรตั้งขึ้นมาความสุขความทุกข์ที่ ต, ตั้งขึ้นมาแต่ระดับเบื้องต้นเนี่ยที่บรรลุเป็นพระสสดาบันเนี่ยก็คือวางได้ระดับหนึน่งระดับยังหยา บ, บอยู่เป็นระดับที่เรียกว่าสัตยาทิจิคือความหลงผิดขั้นหยาบๆคือตัวต้นที่มันเหนียวแน่นที่มันรุนแรงอ่ะมันเห็นชัดแล้ว นอนเป็นอาการของจิต ท, ที่มันเป็นหลวงพิดไปยึดมั่นถือมั่นเป็นตัวเป็นตนขึ้นมาอับตาตรงนี้ก็เลยเบาลงไปความเป็นอนัตตาคือไม่ใช่ของเราก็เข้ามาแทนที่อยู่ในจิตว่าอันนี้มันไม่ใช่ตัวเราหรอกก็มันแค่อารมณ์ที่เฉยอ่ะมันจะลุนแรงขนาดไหนเป็นแค่อารมณ์ถ้าหาว่าเราไม่ไปยึดมั่นถือมั่นมันก็ดับไปเองสุดท้ายไอ้พวกอารมณ์หยาบหยาบที่จะทําให้กรรม ทำกรรมหนักๆจนกระทั่งจกอบายภูมิเนี่ยวางหมดเลยรวมทั้งกรรมอะไรก็ตามที่เคยทําที่มันมันเป็นอารมณ์หยาบๆหนักๆเนี่ยก็ไม่ยึดมั่นถือมั่นเดือดถึ ง, งจิตใจคิดนึกปึงแต่งอะไรขึ้นมาก็เห็นว่ามันมันเกิดและกระดับมันไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราคือวางความเป็นตัวเป็นตนตได้ระดับหนึ่งคําว่าสัต ก, กายที่จิตนิกายะนี่หมายว่ามันมารวมกันสิ่งที่มันรวมกัน สักกายะมารวมกันแล้วก็เป็นเราก็คือเราไปยึดมันว่ามันเป็นเราก็เลยเรียกว่าสักกายะความเห็นที่ไปยึดนี่แหละคือความเห็นผิดของเราเองไปยึดว่ามันเป็นตัวเราเป็นของเรากายก็เป็นตัวเราเป็นของเราเวทนาก็เป็นเราเป็นของเราสัญญาเป็นเราเป็นของเราสังขามเป็นเราเป็นของเราวิญญาณเป็นเราเป็นของเราก็คือเรื่องขันห้าทั้งหมดเลยนะก็คือสอนเข้ามาเป็นขันห้านี่แหละแต่ว่า พระสดที่นี่เคียงแสดงธรรมย่อๆแต่ผู้ที่ฟังธรรมมานานแล้วสั่งสมมาตั้ง ส, สมัยพระพุทธเจ้าองค์ก่อนโน่นที่พยากรณ์เรียบร้อยแล้วว่าท่านเนี่ยจะได้เป็นอักสาวกของพระพุทธเจ้าชื่อว่าโคตมะก็คือพระพุทธเจ้าของเราดังนพอฟังธรรมแล้วก็บรรลุเป็นพระโสดาบันเข้าใจแจ่มแจ้งห ร, รื่องศรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธเจ้าพระธรรมประสงค์ชนิดไม่หวั่นไหวอีกเลย ทั้งทา้งที่ช้า น, นียังไม่ได้พบพุทธเจ้าแต่มั่นใจเลยว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยมีจริงแน่นอนเลยสอนให้รู้จริงให้ให้เห็นจริงได้เนี่ยเชื่อมั่นขึ้นมาเพราะนั้นพระโสดาบันจะมีคุณสมบัติชนิดหนึ่งอยู่ในจิตก็คือว่ามีความศรัทธาเลื่อมใสในพุทธเจ้าชนิดไม่หวั่นไหวไม่คอแนแคนศรัทธาในพระธรรมชนิดไม่หวั่นไหวไม่ ปนแทนเหมือนกันสะานในพระสอรลยสงชนิดที่ไม่หวนไหวเหมือนกันรวมทั้งท่านจะมีศีลห้าอยู่ในใจของท่านตลอดเลยศีลนี้จะเป็นศีลอยู่ที่จิตเลยแม้จะทําอะไรศีลมันจะข้ามเอาไว้เองไม่ได้ไม่ไดต้ตรงนี้มันเป็นบาปนะตรงนี้เป็นอกุศล น, นะตรงนี้ทําแล้วมันเป็นทุกข์นะเขาก็มีจิตมีใจนะครับเป็นบาปก็ มันก็เหมือนเราเหมือนกันคล้ายๆเข้าใจตรงที่จิตของตัวเองแล้วมันก็เข้าใจทะลุไปถึงข้างนอกก็มีความเห็นอกเห็นใจไปหมดเลยเพราะฉะนั้นที่ท่านละได้ก็คือสัจจะที่ิีแต่ว่ายังค่ำหยากๆอยู่นะคือความเป็นตัวเป็นตนเป็นตัวเราเป็นของเราเนี่ยถ้าชนิดละเอียดเข้าไปก็คือพวกเป็นความโลกเป็นความอยากความต้องการพวกราคะชนิดละเอียดเนี่ยพระโสดาบันยังละไม่ได้ แต่รวมทั้งพวกความเห็นเป็นตัวเราเป็นของเราชนิดที่มันไป เ, เทียบเทียบกับคนอื่นนะถ้าเรืองคนอื่นมีดีกว่าเราอย่างนี้มันก็หวั่นไหวขึ้นในจิดมีทุกข์ได้หรือว่าเออพ่อเข้าสูงกว่าเราอย่างนี้ถ้ายังมีมานะอยู่มันก็หวั่นไหวว่าเออเนี่ยอยากจะเท่าเขาหรือว่าอยากสูงกว่าเขาไม่อยากเขาสูงกว่าเรามันจะมีความหวั่นไหวอยู่แต่ว่าในระดับหนึ่งที่เรียอว่าเอาความจริงวนะ่าเออตัวเองมีเท่านี้เขามีเท่านั้น ไม่ปรุงแต่งแบบแบบฟุ mean, ้งไปเหมือนผู้ชมผู้ชมเมื่อพอเปรียบเทียบแล้วมันก็ปรุงแต่งไปเรื่อยเรื่องนั้นบางเรื่องนี้บ้างเออเขาดีกว่าเราเขาต้องได้ลาบได้ยศได้ชั้นเริญได้อาน้นอันนี้มากว่าเรามันปรุงไปชนิดที่มันเป็นทุกข์มากตัวตนมันก็เลยเมื่อเต็มที่ส่วนพระสุรดารานี่ยพอปรุงแต่งระดักที่ไม่มากนักก็เอาความจริงที่มันมีอยู่มาเปรียบเทียบแล้วก็ปรุงแต่งขึ้นมา ควให้เกิดเป็นทุกข์ได้เนีなな่ยก็ย mm ัง hmm มีต ah ัวตนที่อยู่ในรายละเอียดแต่ว่าชนิดที่หยาบๆที่จะทํากรรมแล้วก็ให้ตกอบายภูมิเนี่ยพระโสดาบันนั่นละได้อย่างพวกเราเนี่ยก็อย่างน้อยก็ปฏิบัติตามทางที่จะบรรลุเป็นพระโสดาบันลถึงจะเป็นผุ้ดุชนก็ปุ้ดุชนที่เรียกว่าเลื่อนชั้นแล้วเนี่ยมีช่องทางที่จะเลื่อนชั้นขึ้นเป็นพระอเยจาได้แน่นอนละ สิ่งที่เราได้ยินได้ฟังเนี่ยก็เป็นทางของพระพุทธเจ้าทั้งหมดเป็นธรรมของพระพุทธเจ้าแล้วต่อไ่แน่เหมือนกันถึงเราไม่บรรลุธรรมชาตินี้มีบางชาติที่อินทรีย์เราสมบูรณ์บริบูรณ์ขึ้นมาอาจจะได้ฟังธรรมของพระพุทธเจ้าแล้วบรรลุธรรมต่อหน้าพระพักของพระองค์หรือว่าฟังธรรมของพระอาเดียเจ้าแล้วก็สามารถบรรลุธรรมทั้งๆในขณะที่ฟังธรรมนั้นก็ได้อันนี้ เรามาจริงไม่เสียประโยชน์เรามาแล้วมายังสถานที่สถานที่ก็เอื้ออำนวยทำให้ย้อนและลึกถึงพระพุทธเจ้าและลึกถึงธรรมะของพระองค์ขึ้นมาและจิตใจของเราก็น้อมเข้ามาด้วยเพราะมันมีบรรยากาศมันมีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงมันทำให้เราสังเวชสังเวชในนี้วคือมันมากระตุนต้นเตือนจิตใจของเราให้ ล, ลึกถึงธรรมะและลึกถึงความจริงเหล่านั้นขึ้นมาได้ ทีนี้พอาษาลิบุตรเนี่ยท่านจองทำแล้วท่านสอบรรลุเป็นพระโสดาบันบุคคลจิตใจของท่านก็มีการเปลี่ยนแปลงเพราะอะไรเพราะว่าท่านสร้า ง, ง, งสมอบรมมานานแล้วฟังธรรมแค่นี้เข้าใจแล้วคือคือถ้าหาว่าจิตมันมันเป็นสมาธิขึ้นมาจิตของเราเนี่ยแค่เราสํารวมปักจิตของเราเนี่ยมันเหมือนกับมันหกตัวเข้ามาตอนแรกมัน มันเห็นอะไรมันก็มีปฏิกิริยานะของจิตเนี่ยมันห้ามไม่ได้นะมองไปปั๊บมันเห็นคนเนี่ยเออคนนี้แต่งกายอย่างนี้เป็นผู้หญิงผู้ชายสวยไม่สวยมันมีสัญญา ม, มีสังขารอยู่ในนั้นแต่จับมันรวดเร็วอย่างนี้แต่ทีนี้พอเรามาแล้วเราสํารวมจิตเราเข้ามาเนี่ยจิตของเราเนี่ยมันก็เข้ามาพอเข้ามาแล้วเนี่ยมันก็มาอยู่กับตัวเราพอมาอยู่กับตัวเราแล้วมันก็วางอารมณ์ข้างนอกพอวางอารมณ์ข้างนอกแล้ว คราวนี้ถ้าหากว่าเราหยุดจิตเอาไว้หยุดจิตเอาไว้แล้วต้องให้จิตเนี่ยมันมันรับรู้ว่าร่างกายเนี่ยรู้สึกยังไงนี่ก็หมายว่าเราพยายามที่จะให้จิตเนี่ยมารับรู้ความรู้สึกของกายว่าในร่างกายของเรามันอยู่ยังไงมันมีอาการยังไงนี่เมียกว่ามันมาดูกายหรือว่ามันอยู่ในท่าทางแบบไหนหรือว่ามีลม อาการของลมเป็นยังไงเช่นนี้เป็นเรื่องของร่างกายทั้งหมดแต่ถ้าเรามาจับอยู่ตรงความรู้สึกว่าเออมีความรู it, ้สึกอย่างไรมีเจ็บมีปวดไหมมีมีมีชาไหมตั้งแต่หัวเราศีรษะเราเนี่ยเออมันมีเจ็บมีปวดมีตึงมีเสียดมันมีอาการอย่างไรบ้างอันนี้คือเราเอาจิตมารับรู้กายและก็เวทนาทางกายถ้าหาว่าเราไม่ทําอย่างนี้ จิตของเราก็จะเป็นเราเป็นเราเร า, เราเจ็บเราปวดเรามุนเราเครียดเรามีอาการตึงมีอาการเจ็บปวดแต่ถ้าเราเรํารวมจิตเข้ามาแล้วลองใช้จิตของเราเนี่ยเหมือนกับสํรวมจิต ด, ดีๆเหมือนจิตเป็นจิตก่อนอแล้วจากนั้นให้จิตนี้เหมือนกับว่ารับรู้ขึ้นมาเหมือนเปิดจิตของเรารับรู้ขึ้นมาด้วยจิตเป็นมองดูหรือเอาความรู้สึกไปสารวจ ด, ดู อันนี้เหมือนจะเอาตาใจเหมือนเอาใจเราไปดูใจมันเป็นที่เห็นที่นี่มันก็รับรู้ขึ้นมาว่าเออร่างกายมันอยู่ของมันนะเนี่ยแต่ก่อนว่าเออเราเจ็บเราปวดเรามึนเราเป็นนั่นเราเป็นนี่แต่พอเราจับลวนจิตได้ทับเนี่ยเป็นว่าเอาออันนั้นความเจ็บอยู่ที่ร่างกายเจ็บอาจจะว่าเจ็บบางทีมันก็เป็นบางทีก็รู้สึกว่าเออเจ็บนี่อยู่ที่ร่างกายร่างกายเจ็บบางทีมันก็ชิดเฉยรู้แต่ว่าเจ็บ มันก็ปิเป็นรับรู้เลยเหมือนไม่มีกายไม่มีเราอยู่แใ่ น, นั้นน่ะแต่ว่ามันเหมือนกับมีความเจ็บอยู่นี่มันก็คือสัตว์แต่ว่าเจ็บ ต, ตัวรู้ก็สัตดแต่ว่ารูา้ได้นี่ก็คือทางของพ่อเรียเจ้านั่นแหละมือนเริ่มไม่มีตัวตนละเริ่มไม่มีตัวเราของเราละเพราะฉะนั้นเราก็สามารถที่จะรับรู้ได้ว่าการที่ภาษาลิบุตรเนี่ยบรรลุเป็นพระโสดาบันนั้นก็คือว่าจิตของท่านน่ะเหมือนกับฟังปั๊บเนี่มันพบเข้ามา แล้วมันก็เหมือนตาจิตของท่านตาใจเนี่มองเห็นรับรู้ว่าเออสิ่งเหล่านี้ที่เคยลุ่มหลงว่าเป็นตัวเราเป็นของเรามันไม่ใช่หรอกเนีเพราะฉะนั้นถ้าเรารู้ไม่ใช่จิตก็ปล่อยวางได้นเนี่ยแต่ที้ท่านจังสมานานอ่ะของท่า น, นมันเข้าใจทันทีเลยว่าอ๋อเกตุมันอยู่ตรงนี้เองตรงที่หลงหลงว่าเป็นเราเป็นของเราอะไรเกิดขึ้นเป็นเราเป็นของเราทั้งหมดเลยมันก็เลยเป็นเราเจ็บเราปวด ในอาการของจิตก็เหมือนกันบางทีมันกระทบไม่ชอบใจขึ้นมาอย่างเนี้ยก็เป็นว่าเราไม่ชอบใจแต่ถ้าหาว่าจิตของเรามันกดเข้ามามันสัมรวมเข้ามาความไม่ชอบใจโผล่ขึ้นมาปั๊กนี่อา้อาวอา้านี่นี่อาการไม่ชอบใจเผิดขึ้นมาแล้วเนี่ยบางทีไอ้สิ่งที่มันมันผ่านเข้ามานี้มันกลับกลายเป็นสิ่งที่จะมาสอนเราเป็นเหมือนธรรมะเป็นเหมือนบทเรียนจิตของเราก็ไม่หวั่นไหวแหละ ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับจิตของเราเอามันโผพักขึ้นมาแต่ทบอารมถูกใจบ้างไม่ถูกใจบ้างเหตุการณ์ข้างนอกเป็นยังไงก็ตามแต่ถ้าเรารู้วิธีและเราจัดเรืนจิตเอาไว้จิตของเรามันก็จะรับรู้ข้างนอกเดีย่ยขนาะเดียวกันมันดูจิตรเราเดียบที่สาคัญคือตัวจิตเรานี่ต่างหากข้างนอกมันก็ต้องเป็นสิ่งแวดล้อมอะเราไปไหนมาไหนมันต้องมีสิ่งแวดล้อมสิ่งแวดล้อมมันก็อยู่ขอางมัน แต่ละที่แต่ละที่มันก็แตกต่างกันไปตามเหตุตามปัจจัยของมันอนะ่ะมันก็เป็นธรรมชาติของเขาทีนี้สําคัญที่จิตของเราเนี่ยมันไปรับรู้แล้วมันวางท่าทียังไงภายในจิตการวางท่าทีภายในจิตนี้ก็ขึ้นอยู่กับความรู้ความเข้าใจในจิตของเราก็คือสติปัญญาของเรานั่นเองถ้าว่าเรามีหลักธรรมของพระพุทธเจ้าอยู่ในจิตใจเมื่อรับรู้แล้วมันก็ มีปัญญาเขาเรียกว่ายิโยนิโสมนสิการพิทผูกหลักพิทผูกตรงกับหลักธรรมพิทตรงกับความเปิดอวัยวะธรรมชาติเราเป็นอย่างนี้แหละที่นี่ก็เป็นอย่างนี้แหละอย่างเจ้ามาที่นี่ก็เป็นอย่างนี้แหละที่นี่มันก็เป็นธรรมชาติของเขาถ้าจิตของเรายอมรับได้วางเฉยได้ก็ไม่เป็นไรไม่มีทุกข์อะไรเรเกี่ยวข้องไปดําเนินไปตามความเหมาะสมเท่านั้นเอง ถ้าหากว่าเราเราเข้าใจหลักธรรมของพระพุทธเจ้าต้องเป็นไปเพื่อไม่มีทุกข์จริงๆมันจะไม่มีทุกข์ได้ก็ต้องมีการสำรวมจิตเข้ามาสำรวมจิตแล้วก็จิตเนี้ยต้องเห็นเห็นสิ่งที่มันเกิดขึ้นและจิตเรามีปฏิกิริยาอย่างไงใจเรามีปฏิกิริยาอย่างไงและจิตก็ยอมรับได้ว่าอ๋อมันเป็นธรรมชาติ้องมันอย่างนี้เองแล้วมันก็วางเฉยได้ คนรับภาษารีบุดยฟังทำปั๊บมันเหตุเข้ามาเลยแต่ท่านเข้าใจอย่างรวดเร็วเพราะท่านสะสมมานานละมันชอมแนละ้วทุกอย่างเกิดแต่เหตุรู้ทันทีเลยเหตุก็คือความหลงในจิตความยึดมั่นถือมั่นภายในจิตถ้าจิตปล่อยได้เรื่องเหล่านั้นก็อยู่ของมันเป็นธรรมชาติของมันอย่างนั้นเองพอท่านรับรู้ได้ตรงนี้ท่านเข้าใจตรงนี้ท่านก็วาง แ้วส่วนที่ท่านวางได้มันก็ไม่ทำให้ท่านเป็นทุกข์ีจเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าตรวจสอบกับหลักธรรมของเจ้าท่านบอกว่าพระโสดาบันเนี่ยถ้า ม, มองในแง่ของสังโยชน์สังโยชน์ใหมายเพราะว่าสิ่งที่ลอยรับรับล่มจิตทำให้จิตม่เวียนว่ายตายเกิดมีทั้งหมดสิบข้อถ้าพระโสดาบั น, นละได้สามอย่างอันที่หนึ่งคือสักจะที่จิหมายก็ว่า ละความเห็นว่าเป็นตัวละความเห็นผิดหลงผิดว่าเป็นตัวเราเป็นของเราชนิดใหญ่ใหแต่ไม่ใช่ทั้งหมดส่วนที่ท่านละได้มันก็เบาลงไปแล้วแต่ก่อนอะไรก็เป็นเราไปหมดเลยตพอกระทบอะไรปั๊บมันตรงเข้าไปหาจิตเราเป็นเราเราก็เจ็บเราก็ปว ด, เ ร, ด, เ, รดเราก็ทุกข์ทรมานได้เราก็มีปัญหาขึ้นในจิตเราได้แต่ใ น, นส่วนที่ละได้มันจะวางเฉยมันจะเบา คนที่ละได้เนี่ยเขาจะรู้สึกทันทีขณะที่มองอไปข้างนอกบางคนกําลังทุกข์กำลังเดือดร้อนกําลังเจี่ยกกลับแต่ในจิตพระพุทธดาบันก็จะมองไปว่าเออจิตเราปกติเนี่ยเราวางเฉยได้ในขณะที่คนอื่นกําลังรุ่มร้อนอยู่แต่ถ้ายิ่งสูงขึ้นไปไอไอโลภติสามหายิ่งเบาบางลงไปหรือว่าาสังโยชน์ที่มันละได้ละเอียดขึ้นมันก็ยิ่งละเอียดเข้าไปถ้ามองเข้าไปเราเห็นเขากําลัง ยิ่งตามไอ้ความตามความรุ่มหลงอยู่อ่ะมันก็จะมองออกว่าอ๋อนี่เราตรงนี้เราไม่หลงแล้ะเราผ่านแล้ะก็เห็นมันสนใจคนที่กำลังหลงอยู่แต่ไม่รู้จะทํำยังไงก็ต้องเออเชื่อได้ก็เชื่อเช่วยไม่ได้มันต้องคํานวณดูแล้วเอออันนี้มันยังเชื่อไม่ได้ก็าวางเฉยเยวมาวางเบียดขาไปยิ่งต่าหาว่ามันดับไป จ, จิตไม่มีอะไรทึงแต่จิตได้เลยอย่างเนี้ยก็ยิ่งเข้าใจไปหมด เราออกมาเป็นธรรมดาทุกคนก็มีจิตมีใจขึ้นอยู่กับว่าในจิตใจนั้นมีธรรมะมากน้อยแค่ไหนมีคุณธรรมหรือไม่มีคุณธรรมถ้าไม่มีคุณธรรมมันก็วิ่งตามอารมณ์ทั้งนอกแล้วก็เอาเข้ามาเป็นเราเป็นตัวเป็นตนของเราเราก็เป็นทุกข์เราก็เจ็บเราก็ปวดเพราะฉะนั้นทางออกของพระพุทธเจ้าเนี่ยยิ่งสอนเข้ามาที่จิตจริงๆริงเลยเพราะฉะนั้นถ้าใครรับฟังคําสอนของพระพุทธเจ้าเกิดความรู้ความเข้าใจมากน้อยแค่ไห น, น ก็สั่งสมเอาไวา้เรียกว่าเป็นทุนเลยทีเดียวเมื่อเป็นทุนแล้วต่อไปมีโอกาสได้ฟังธรรมของพระพุทธเจ้าฟังธรรมของพระอริยเจ้าองค์ใดองค์หนึ่งก็อาจจะสามารถบรรลุ ธ, ธรรมต่อหน้าพระพักของพุทธเจ้าหรือว่าต่อหน้าครูบาอาจารย์ผู้เป็นพระอริยเจ้าเหล่านั้นได้เพราะฉะนั้นที่เราสั่งสมเอาไว้ในจิตเนี่ยไม่เสียหายนะยิ่งถ้าจิตของเรามันเข้ามาเห็นเนี่ย อันความรู้ความเห็นในจิตเนี่ยตัวปัญญาเหล่านี้มันไม่ลบไปจากจิตนะจิตมันจดจําเอาไว้เลยนะมันต่างจากที่เราจําว่าเออคนนั้นชื่อนั้นคนนีน้ชื่อนี้ลืมได้นะแต่ตจิตจิตที่มันฝังลึกเข้ามาในจิตเห็นจิตมันเห็นเนะี่ะมองเห็นอยู่นะอย่างขณะ น, นี้ถ้าใครมองเห็นจิตของนะอตัวเองรนะู้สึกว่าเอจิตของเราอยู่ยนะังไงกายเราอยู่ยังไงอันนี้คือตัวจิตเข้าไปมองเห็นรับรู้ด้วยจิตไอ้อย่างนี้มันไม่ลืมนะอ่ะเพราะฉะนั้นจรง เกิดชาติต่อๆไปเรากินสามารถปฏิบัติทําต่อไปได้ถ้าหากว่ามีมีกรรมอื่นที่ไม่ดีมากั้นมาขวางเราเกิดมาแล้วหรือที่แม้วามาขั้นมาขวางใช้กรรมไปชั่วคาวแต่ว่าลึกๆเหมในจิตมันพร้อมอยู่ตลอดเวลาลพอรอว่าเออคนจะกรรมไปตรงนี้แล้วก็จะต้องกลับมาเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นในการปฏิ บ, บัติจิตเนี่ยมันจึงเป็นสิ่งที่สังสมเอาไว้เก็บเอาไว้ แล้วสามารถนํามาปฏิบัติต่อตได้เหมือนพวกเราที่มาครั้งนี้ทุกคนก็ต้องเคยสั่งสมอบลมมาทั้งหมดนี่ยไม่งั้นจะไม่อยากมาเพราะว่ามาเนี่ยมันก็ต้องเสียงเงินเน่ะหรือว่าลำเวลามามันก็เหน็ดเหนื่อยเล้าเออแต่ว่าถ้าหากว่ า, าได้ได้ฟังธรรมของพระพุทธจาแล้วถ้าจิตใจของเรามันเข้าใจธรรมะของมูะพเจ้มันก็เกินคุ้มอะ เพราะว่าพระพุทธเจ้านี่สอนอาบอกเอาไว้เลยวนะ่าถ้าจะมีใครก็ตา ม, มาเอาหอกเอาหอกมาแทงดูก่อนที่ิศทั้งหลายถ้ามีใครก็ตามเอาหอกมาแทงเออแทงซ้ายทะลูกขวาแทงขวาทะลุซ้ายแทงหน้าทะลุหลังแทงหลังทะลุหน้าบนทะลุล่างล่างทะลุบนตั้งหลอดตั้นแต่หัวค่ํำจกนกนระทั่งโวถ้าหากว่า เธอสามารถสว่างทุ้งไร้บรรลุธรรมได้ให้เลิเอานีไไ่เธองูหมกล้าสลักชีวิตเลยนะเพื่อธรรมะของพระพุทธเจ้าเนี่ยผล อ, อย่างนั้นจริงๆเลยนะเพราะฉะนั้นไอ้ความทุ้งความเจ็บความปวด ค, ความทรมานเนี่ยถ้ามันทําให้ธรรมะของเรามันสูงขึ้นมันมีขึ้นมันเกิดขึ้นคุ้มค่าหมดเลยนี่ฉันถึงว่าธรรมะมันเหนือทุกสิ่งทุกอย่าง ที่พูดถึงพระพุทธเจ้าพูดถึงภาษาลิบุตรหลังจากภาษาลิบุตรบรรลุประสงดับบบุกคลแล้วก็ละสัญญได้อันที่หนึ่งละศักยพิจิตรได้อันที่สองละความลังเลสงสัยในคุณพระพุทธเจ้าพระธรรมประสงค์ว่าจะมีความศรัทธาในพระพุทธเจ้าอย่างมั่นคงเลยนะแบบชนิดที่ไม่หวั่นไหวเลยศรัทธาในพระธรรมคําสอนขององค์ชนิด ท, ที่ไม่หวั่นไหวศรัทธาในพระสงฆ์ชนิดที่ไม่หวั่นไหว เือมันในการตัสดสของเจ้าเต็มร้อยเปเซเลยแล้วอันที่สามก็ถือว่าละกมีลกักเกรามาดาังหมายว่าจะไปลุ่มหลงยึดถืออะไรที่มันจิดจิตจะไม่เอาแล้วจะต้องมุ่งตรงไปหาความคุ้นทุกข์อ่ะจะรักษาชีวิตเหมือนกับว่าคนทั่วไปบางทีก็มีนะัรักษาชีใหคนย่อกย่ำงสนเซินให้เราดูดีดูว่าให้เราดีให้เราไปเกิดสวรรค์ท่านนั้นท่านนี้พระเจ้าดำมันไม่เต็ม โดยอันนั้นก็มีความหวังได้ว่าถ้าเรายังไงยังไงท่านก็ต้องผลจากอบายภูมิแน่นอนแล้วท่านจึงไม่ต้องไปคิดไปนึกอะไรเหล่าเนี้ยรักษาศิลก็เพื่อความเป็นไทยของจิตเพื่อความเป็นอิสระของจิตอ่ะเพื่อเป็นพื้นฐานของสมาธิและปัญญาเมื่อจงไปหาความดับทุกข์ความพ้นทุกข์หมดเพราะนั้นพระเจ้าจึงบอกว่าภาษาลีบุตรเนี่ยต่ตตอพระโสดาบันบุคคลเนี่ย เป็นผู้ที่ไม่ตกต่าเป็นธรรมดาเป็นผู้เชี่ยงต่อคติผ่านเชี่ยงต่อความเป็นพ่อลานเชี่ยงต่อความพ้นทุกข์แน่นอนและเกิดดีไม่เกินจิตข้าพวกแค่นี้มันมันถ้าหาว่าใครบรรลุเป็นตัวดาบวน์อย่ามันก็น่ายินดีทีเดียวนะน่าชื่นชมเพราะว่าคนเราเวียนว่ายตายเกิดไม่รู้พี่เอาสงไขนะ้พอเราได้ปฏิบัติแล้ว แค่บรรลุพระโสดาบันนี้เลยไม่เกินเจ็ดชาตอาจจะหกชาติห้าชาติสามชาตสี่ชาสองชาติหนึ่งชาติาตาตอ้คมันมีความหวังแล้วเนี่ยท่านถึงว่าเทื่ยงต่อพระนิพพานกว่าดีไม่เกินเจ็ดชาตเพราะนั้นถ้าหาว่าท่านจะนับถืออะไรก็ตามถ้ามันไม่จริงไปเพื่อความค้นทุกข์ก็ไม่เอาแ่ะทิฏฐกรรมอะไรที่มันลุ่มหลงกันไปพระโสดาบันก็มองออกละวทะลุแล้วมันรม่ความจําเป็น แต่ถ้าเขาทําก็ทําไปได้ไม่ขัดข้องไม่ขัดขวางแต่ไม่จิตองตัวเองรู้แหละอันนี้มันไม่ใชทางคนทุกนนเนี่ยเน่ยก็ทําไปพิธีกรรมอะไรถ้าหากว่ามันทําให้จิตของคนนั้นมันดีขึ้นก็ไม่มีปัญหาอะไรนะเพราะว่าต่างคนต่างก็ทำเพื่อจิตของตัวเองอยู่อย่างอ่บางคนเขาก็มาเอาสรวจอีพีดิโซเขามีความฝึกมีความเบิกบานมีจิตีฟาโม่ เขาก็ทําไปเพื่อเจนระดับนั้นก็ไม่เป็นไรไม่เสียหายอะไรเขาจะหาดอกไม้ทู้งเพี้ยนหาผ้าหาอะไรต่ออะไรมาสักการะบูชาต่อพระพุทธเจ้าเมื่อทําแล้วทําให้มันเบิกบานอินเอิญมีจิต ต, ตาโมดมีความสุขภายในใจิตใจเหมือนกับเพิ่มความศรัทธาเลื่อนใสหรือมีความหวังอะไรต่ออะไรก็ไม่เป็นไรมันก็เป็นเป็นธรรมดาของของจิตใจระดับนั้นมันก็ทำไป แต่ถ้าตัวดาวันบุคคลตั้งเนี่ยต้องทําเพื่อให้จิตของตัวเองเนี่ยมันมีความสารวมเข้ามาแล่ะ<ม>เพื่อเป็นกําลังของจิตเป็นพื้นฐานของสมาธิและปัญญาทําเพื่อให้จิตตัวเองดีมีพื้นฐานที่ดีคือมันตรงมาที่จิตเลยมนไม่หวังว่าจะไปสวรรค์ชั้นนั้นชัน้นนี้อย่างนั้นอย่างนี้ที่ทกรรมอะไรมันก็จะไม่มากมายแล้วถก็จะลดลงมาแล้วทําอะไรก็มี ความเห็นถูกเห็นตรงว่ามีเราทำํำเพื่อให้จิตมีมีที่ถามที่ดีนะให้จิตมีความพร้อมที่จะมีสติรักษาจิตได้ง่ายเมื่อจิตเมื่อสติรักษาจิาตได้ง่ายจิตเป็นสมาธิได้จิตตั้งมั่นได้เกิดปัญญายามได้มันมาที่นี่เลยเพราะนั้นจึงเมื่ า, าพราติบุคคลเนี่ยพิธีกรรมต่างๆมันจะลดลงไปมันจะตรงเข้ามาหาแันแท้ก็คือจิตของแต่ละคน เพราะมันอยู่ที่จิตเท่านั้นแหละพ้าว่ามันสติมันมันมันํามันควบคุมจิตได้สํารวมจิตเข้ามาได้ที่คือ ก, กรรมอื่นก็หมดความจําเป็นที่จะไปทําให้จิตเนี่ยมันมันเข้ามาหาตัวเองเนี่ยเพราะนั้นที่คือ ก, กรรมมันก็ลดลงไปเองโดยธรรมาชาติเพราะนั้นชีวิตจะปลาหมา่อหรือไปนับถืออะไรที่มันผิกผิดจะไม่เอาทั้งนั้นแหละ อย่างยังถ้เรามาที่เดียนเนี่ยท่านในถ้าไปเด็กมีนะมันก็มีทั้งคนที่อ่ะทําทําเหมือนเป็โคเหมือนสุนักก็มีมหาวิเจ้านะพวกโคกับสุนักเนี่ยแต่จีรักะหรืออะไรนี่แหละนะแต่อะไรอ่ะเนี่ยมันก็มีชื่ออยู่นะแต่จําไม่ค่อได้หรอกก็มหาวิเจ้าก็จะถามผู้เจ้าว่าถ้าอาจารย์พูดจะเล่เนี่ยบุคคลเนี่ยเขาทําอะไรเหมือนสุนัขเลยนะ เวลาเขาจะนอนอย่างนี้เขาก็ไปเกลียเกลียเกียวนวนวนวเราสังเกตเลยสุนักนอนยังไงเขาจะทําตามทุกอย่างเวลากินก็ต้องเอาวางกับพื้นกินเหมือนสุนักกินแหละไปไหนมาไหนทําหมือนสุนัขทุกอย่างคนนี้เขาทําอย่างเคร่งคัดเลยนะทําเหมือนสุนักทุกอย่างตลอดเลยจตลอดที่สงสารอยากรู้ว่าเขาตายไปแล้วภาพเขาจะไปยังไงเขาเชื่อว่าทําอย่างนี้แล้วอย่างน้อยเขาไปสวรรค์นะเขาจะไปสวรรค์ ดิบัรู้ทำอะไรของเขาก็แล้แต่แต่ว่าเขาเขาเชื่อว่าต้องไปสวรรค์ถามพุทธเจ้าว่าแล้วมันกริงไหมพุทธเจ้าว่าอย่าถามเราเลยเดไม่ตอบทั้งแรกครั้งที่หนึ่งไม่ตอบต่อเขาคิดจะถามอีกขอถามไปครั้งที่สองอยู่พุทธเจ้าว่าอย่าถามเราเลยพอครั้งที่สามพุทธเจ้าไปตอบและทีแต่เนี้ยเขาอยากเลี้ยกินละก็เลยบอกว่าเนี่ยเขาทําเหมือนกับสินักเนี่ยเรียนแบบสินป์ทุกอย่างทั้งการนอนที่หลับที่นอนการอยู่การกินทุกสิ่งทุกอย่าง ถ้าเขาเชื่อเด็กขาดลงไปว่าเขาทําอย่างนี้แล้วจะบรรลุธรรมหรือทําอย่างนี้แล้วไปสวรรค์ได้เนี่ยต้นงนรกสถานเดียวเลยนี่คือิจฉาทิฏฐิมิจฉาธิฏฐิถ้าเด็กเชื่อเด็กขาดลงไปไม่ว่ามิจฉาทิฏฐิประเภทไหนก็ตามนะถ้ายิบมั่นถือมั่นทะิบเด็กขาดลงไปเมื่อไหร่เนี่ยต้องนรกทันทีเลยเพราะผู้นคุณยายพิว่าคนที่ตกนบด้วยมิจฉาทิฏฐินี้มีจำนวนมากเพราะนั้นในอินเดียนี้มิจฉาทิฏฐิเยอะมากที่สุดเลย คือจะต้องรู้ว่าพวกนี้ต้องเป็นรกอาบายภูมิแน่นอน แ, แต่ถ้าเชื่อตามเขาไปไม่ได้เด็ดขาดเชื่อตามกขาไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานเพรา ะ, ะนั้นสําหรับพวกวิชฉาที่มีสองภูมิตอนั้นคือไม่เป็นสัตว์นรกก็สัตเดรัจฉานต่อมาก็ค่อยขยับขึ้นมาขยับขึ้นมานรกแต่ขุมที่มันเบาลงไปมาเป็นสัตว์เดรัจฉาน ต, ต่อมาก็อาจจะสัตว์เล็กสัตว์น้อยสัตว์ใหญ่ขึ้นอะไรก็แลแ้วแต่จนกว่ามันจะ คนไปจากไปกรรมตรงนี้คือความเห็นผิดตรงนี้สําหรับเรานี่มันมีความเห็นถูกเห็นตรงเนยชื่อในการประพฤติลูกของมุนเจ้าเชื่อในคําสอนของมงเจ้าอย่างนี้ตรงนิจีาที่อตองนี้เราไม่มีแต่วันผู้ที่เป็นระโสดาบันจริงละสังโยโดยสามข้อเจ้าคือละสติกาติจิตไดและความเห็นผิดว่าเป็นตัวเราเป็นของเราขึ้นร่างกาย ี่ยถ้าหาว่าเอาเอาแค่ว่าถ้าจิตของเราสงบเข้ามาเนี่ยเรารู้สึกได้ว่าเออล่างกายมันกับจิตมันคนละส่วนนี่อย่างนี้เป็นความเห็นถูกแล้วนั้นเนี่ยมันละใบชั่วคราวแล้วเออล่างกายก็อยู่ของมันจริงๆแลเหมือนแต่เรายืมมาใช้ชั่วคราวเหมือนไม่ใช่ของเราจริงๆถ้าสามารถเกิดขึ้นในจิตของตัวเองได้อย่างนี้เนะ่นี่เริ่มเห็นแล้วเห็นถูกแล้วเริ่มเนื้อสัจจะที่สี่ได้แล้วนะี่นี่คือทางออกหรือว่าอะไร โผล่แวขึ้นมาในจิ et, แต แ, แต่กอ yeah, 1> 1> ่อนว่ามันเป็นเราคิดอะเป็นความคิดของเราดีใจก็เป็นเราเสียใจก็เป็นเราแต่ถ้าหาว่าเราเห็นว่าอาการพวกนี้ยปุงแต่งขึ้นแล้วกระดับปุงแต่งขึ้นแล้วกระดับความคิดโผล่มาแต่ก่อนเราคิดไม่ดีเราก็เป็นหลงว่ามันเป็นเป็นตัวเราเป็นเราคิดอะเหมือนเป็นเราไม่ดีอ่ะบังทีก็นึกตั้งมีตัวเองนึกด่าว่าตัวเองนี่ทํำไมเราจึงเป็นคนไม่ดีคิดได้ยังไงแม้ทําไมมันเลวมัน ขั่วมันทําไมเราถึงเป็นอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าหาว่ามีมรรคตรยกะที่ดีได้ก็เลิกคิดตรงนี้ว่าเป็นตัวเรา ม, มันคิดรับไม่ดีมากก็อา้าวมันแค่ความคิดนีนามันจงงนึงแต่งขึ้นมามันถึงจึงแต่งขึ้นมาไม่ใี่เอ้ยมันก็ดับไปมีเป็นอาการของจิตเท่านั้นเองความเคยชินภายในจิตหรือเคยสั่งเสริมจิตประเภทนี้มาแล้เป็นกรรมเก่าก็ได้โมงเห็นกรรมเก่าถ่ากรรมไปเลย เี S <S. <S. ่ยแต่ถ้าหาว่าเรามาเสียอกเสียใจเนี่ยก็กรรมเก่ามันเริ่มให้ผลแล้วมันก็มาเป็นกรรมปัจจุบันแล้วเริ่มปุงแต่งแล้วเกิดความยินดีร้ายขึ้นมาแล้วเพราะนั้นกรรมทำโดยสตินี่แหละพยายามที่จะกำรวมเอาไว้ให้มากๆให้ทันมันทันมันเมื่อไหร่ก็หลักละกัจจะยักยิกิได้ละความเห็นผิดว่าเป็นตัวเราได้ของความนึกคิดปุงแต่งอะไรก็ไม่เป็นตัวเป็นตนของเราอีกต่อไปแล้ว เวทนาทางกายเกิดขึ้นยับขึ้นมามันเจ็บมันปวดขนาดไหนเนี่ยเอ้ามันจะแค่เวทนานี่นะมันก็อยู่ที่ร่างกายแล้วนั่งนั่งก็เจ็บก็ปวดเป็นธรรมดาเลื่อนลงวิ่งไม่สะดวกแล้วเจ็บปวดทันเป็นธรรมดาแต่ให้มันอยู่แค่ร่างกายเมื่อไม่เข้ามาทําให้จิตของเราเป็นทุกข์ได้นี่คือละศัตรย์ที่จิตได้เหมือนกันละความเห็นผิตว่าเวทนาเป็นตัวเราเป็นของเราได้ความคิดภายในจิตความรู้สึกภายในจิตเกิดขึ้นก่อละได้มันเป็นแค่อาการของจิต แต่ตึงแข็งขึ้นมาแล้วจะดับไปมีก๊ลกสะสัตายาที่กี่บ้านถ้าหากว่าเห็นอย่างนี้บ่อยๆบ่อยๆบ่อยๆยจนมันเด็ด่านลงไปไม่ใช่เมื่อนอนประหารออกไปนี่คือบรรลุพระโสดาบันเหมือนกันไม่ว่าจะเห็นอะไรก็ตามหละ่ะกายเวทนาจิตธรรมเห็นแล้วก็มันไม่ใช่ของเราทั้งหมดมันก็วางได้หรือว่าเห็นรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเห็นอะไรก็ตามเห็นยอมไม่ใช่ของเรามันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปตรงนั้น เจนกระทั่งมันเด็ดขดลงไปเรียว่าเนกระทั่งมันมันประหารได้เนี่ยือว่าอริยสัจสีมันพัฒน์จิตมันรวมตัวขึ้นมามันทาให้จิตเนี่ยมันแน่แน่มั่นคงขึ้นมามันมันรู้ความจริงขึ้นมาและกัจจยาที่ดีได้ขณะเดียวกันก็ละยิจิติจฉาได้ความนังเลส่อมใสในคุณพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เรียนทั้งเชื่อมั่นในการปฏิบัติของเราด้วยโอ้ถูกทางแน่นอนแล้วเราปฏิบัติอย่างเนี่ยถูกทางแน่นอนแล้วเป็นทางออกจากทุกข์จิต ความละความเห็นผิดได้ปล่อยวางได้แโดยเราก็กําลังปฏิบัติตามคําสอนของผู้เจ้าคําสอนผู้เจ้านี่อัศจรรย์มากปฏิบัติแล้วได้ผลจริงผลของการปฏิบัติของเราเนี่ยมันเป็นข้อพิสูจน์เลยมันก็เลยหมดความลังเลสงสัยบางคนีนปฏิบัติยังไงเขาหลุดพ้นไปของเขาเขาได้ผลของเขาเ อ, อเนี่ยผลของเขาแต่เราเนี่ยเราปฏิบัติอย่างนี้แหละแล้วก็พย า, ายามจะเอา่างนี้ต่อไป ได้เลยแต่ถ้ามีครูบาอาจารย์ที่ท่านหรือแจ้าเห็นจริงมากกว่าถ้าหาว่าเรามีโอกาสสนทนาปลาใสบางทีมันก็ลุกซิ้งเข้าไปมากกว่าเดิมมันยี่งทาให้เรามั่นใจมากขึ้นหรือบางทีเราคาดไม่ถึงมันก็ทําให้เราเข้าใจหนักเพิ่มกว่าเดิมลึกซึ้งกว่าเดิมมันก็มีผลทําให้เราปฏิบัติทําได้เร็วขึ้นก็ได้ด้วยผลความ น, นลยสในใจไม่มีถือแล้วก็จับปลามาัม่นหมายว่าไปยืดมันม่นถือมั่นว่า ทำอย่างอื่นแล้วมันจะพ้นทุกนอกจากทางของพุทธเจ้าเลยไม่เอาแน่นอนคือมีศีลผิดๆอะ่ะคืออันนี้แบบปฏิบัติศีลก็เป็นความเห็นถิดศีลและทศศีลรับพระตรามาหมาศีลกับทศศีลก็คือว่าเนี่ยศีลแต่ละข้อศีลหมายถึงข้อปฏิบัติข้อวัดต่างๆเนี่พบอกทําพทเพื่อให้คนยกย่องสรรเสริญททำเพื่อไปเกิดดีๆมันไม่ใช่นะ่ะต้องเป็นทางออกจากทุก เขดีเอาเพื่อจะทุ ก, ทกแล้วก็ถ้าหาว่าคุณในสมบัติของเสดาบันเนี่ยถ้าหาว่าในแง่มุมที่เรียกว่าในทางบวกอันนี้ทางทหาร ท, ทางที่ตัดต่อสิละทางละละได้สัญญาได้ตามอย่างในสมัยที่อาจะมาเป็นฆราวาสก็ตายตอนนั้นมันไม่รู้เป็นยังไงมันหงอย ม, มันเหงามันว้าวเวในจิตอะ่ะนั่งรถไฟจากนครแบบผมมามาที่วัดหมหาธาตุ สมัยนั้นน่ะที่วัดมหาภาตุปันจะมีพวกคลราวาเนี่ยตั้งชุ้มกันนะตั้งชุ้มแล้วก็พูดธรรมะกันโอ้โหมีความรู้ดีๆเหยทีนี้วันหนึ่งเราก็ละหกละเห็นมาคนเดียวเล่อนมาไปนั่งอยู่ซุ้มหนึ่งเขากำลังพูดถึงสังโยชนิดใหญ่คาร า, าวาพูดด้ยวยเราก็นั่งอยู่ข้างหลังเขาก็อธิบายและสังโยชน์ข้อที่หนึ่งได้ข้อที่สองได้ข้อที่สามได้เร า, าฟังได้และบอกสามารถบรรลุเป็นพระสวสดาบานได้ โอ้โหใจมันเกิดเบรกบานยังไงก็ไม่รู้นั่งอยู่ตรงนั้นแหละเพราะกลุ่มใหม่มาเขาก็อธิบายซ้ำอีกแล้วก็ฟังกลุ่มใหม่มาอีกแล้วอธิบายแล้วก็ฟังโอ้มันเหมือนกับว่าโอ้เรารู้ทางออกแล้วเรารู้ทางออกแล้วนี่แหละนี่แหละเรานึกว่ามันจะเป็นไปนี่แหละเพราะโถดามานิจึงจะได้อย่างนี้เหรอนั่นว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไงนั่งฟังอยู่นั้นเงินไต่เกือบหมื่นละรู้ละเวลาที่รถไฟมันจะออกละมันจะออกจากกรุงเทพไปนครปฐมก็ข้ามฝั่ง ข้ามเรือไปไปขึ้นรถไฟกลับไ ป, ไปพอตอนอาทิตย์ใหม่ก็มาฟังซุ้งเก่านี่แหละบางทีก็ไปซุ้งอื่นบ้างอย่ที่เขาอธิบายธรรมะกันฟังไปตอนั้นอยู่ด้วยขัน้นฟังนี่แหละฟังไปปฏิบัตไบิไปบ้างได้บ้างแต่ว่ามากรุณีนี่โอ้นั่งอยู่ น, น้ำแล้วก็ฟังซ้ามเรียงนั่นแหละไอ้พวกไอ้ไอ้ละสังเลโยสน์เนี่ย แ, แต่ตอนนั้นเขาก็อธิบายได้ได้ละเอียดเฉพาะตรงนี้ ตรงที่ว่าล ะ, ะกัจายาทิฏฐิแล้วก็ลวิจิกิช า, าความลังเลสงสัยในกิ่งพทธธรรมปะสงค์รวมทั้งข้อวัดปฏิบัติของเองด้วยแล้วละมีแล ะ, ล ะ, ละกัจจปรามาคืค อ, ค, อคือไม่หลงไปเร็นว่ามีละพดอย่างอื่ น, นการละกัจจินแล้วก็ไอ้พดอย่างอื่นข้อปฏิบัติอย่างอื่นเนี่ยมันจะทําให้คนทุกข์ได้หนึ่เป็นอย่าี้ยได้เหมือนกับคนที่ว่าคนที่ไปทำตัวเหมือนสินัขเนี่ยแหละที่เจ้า ก, ก็บอกว่าโอ้ย ถ, ถ้าทําตัวเหมือนสุนักอย่างเงี้ย จะเชื่ออย่างน่ น, นอนลงไปแล้วก็ตายไปกระจกนั้นลบทรรศานเดียวแจะเชื่อตามเขาไปก็อ่าเป็นฝาสตเดียวรษานไอคือนักปุคนที่นับถึงอย่างคือั ก, กถามเรื่องคนเลยกะคนที่ทําแบบโคบ้างนี่เนี่ยไอ่อคนนี้ก็เข้าทําแบบโคเกี่ยวกิงยญาเออเขากินได้นะกินหญ้าเหมือนวัวทุกอย่างนอนก็เหมือนวัวทําอะไรเหมือนวัวทุกอย่างเลยอ่ะเหมือนโคอ่ะเพาว่าแบบโคแมีจริงหรือไม่นั่น าถามบ้างแล้วคนที่เหล่าเขาก็นักศึกเนี่ยทําแบบโคมาตลอดชี้ิตเขาขเขาก็เชื่อว่าเขาจะไปสวรรค์เหมือนกันน่ะคือจะกบห้ามเหมือนกันห้ามสองครั้งพอครั้งที่สามก็เลยต่อให้ก็พยากรณ์แบบเดียวกันเลยแล้วก็าเชื่อเด็กขาดลงไปว่าการให้ทําอย่างโคเนี่ยจะไปสวรรค์หรือคนทุกข์ได้ตรงนรกสถานเดียวแต่ถ้าเชื่ อ, ขอเข้าไปก็เป็นแบบเดียวกันไปเป็นโคก็ได้ ตอนนั movement, hey. well, rabbit, kind of noise, ้นกราปดูจ claro. no. no, no, no. no. no. ีน่ากับเนี่ยคิดมันฝุกพันอยู่นะจินฝุกพันเนื้อโคเราเห็นเจอเป็นโคจ้แล้วจ้าเลาะก็คือจิตนี่แหละมันเป็นแต่พระพุทธเจ้าก็พูดถึงภาษาลิบุตรแล้วก็บอกว่าจากนั้นสารีลบุตรบวชแล้วสิบห้าวันก่อนที่จะบรรลุเป็นพระอรหันต์บวชแล้วได้สิบห้าวันแต่วันที่สิบห้าแล้วแต่พระพุทธเจ้าก็เริ่มเริ่มพูดถึงภาษาลิบุตรแล้วภาษาบุตรก็ได้เข้าฌานแต่ฌานหรือพระพุทธเจ้าพูดเองนะพูดถึงภาษาลิบุตร สารบุตนี้ได้เข้าประถมมาหน่อยเมื่อเข้าประถมมาชานแล้วสารีบุตรก็พิาณาองค์ฌานในนั้นนี้ไม่คือวิปัสสนากับธรรมะไปพร้อมกันตั้งเป็นแบบนี้เมื่อเข้าฌานเรียแล้วก็สามารถพิณาองค์ฌานในในในสมาธินั้นว่ามันไม่เที้ยงเป็นทุกเป็นอนาาักตาหมายว่าไม่จิดอยู่ไม่จิตในสมาธิเลยอะ่ะตไม่เป็นอะไรก็รู้เลยแต่เหมือนอย่างเราสงบเ ร, า, ราเป็นสมาธิเราก็รู้เป็นสมาธิ มันมีความลึกขึ้นยังไงเกิดขึ้นเราก็รู้อย่างนี้แสดงว่าเราไม่จิดแล้วก็เราเห็นอยู่เรารู้อยู่รู้ที่นาอยู่เพราะว่าผเจ้าก็พูดถึงภาษาลิบุตรเหมือนกันเนาะภาษาลิบุตร น, นี่เข้าประตมตตาวิจิตก็รู้วิจารนูรู้ปีจิรู้สุดรู้แล้วภาษาลิบุตรก็ไม่ยึดไม่จิตไม่ค้องส่งเหนี้แล้วก็วางเฉยกับสิ่งเหล่านี้แล้วก็รู้ต่อไปว่าที่ลึกขึ้นแต่วิญญาณอี้ก็เข้าผุ้ติยชาเรียกว่าออกจากประตูเมตตาเข้าผู้ติยชาหมายถึงว่าลาวะวิเตวิจารได้วิเตวิจารก็คือ วิเศษไหมว่าจิตมันตักไปหาอารมณนี่หนูจะไปอารมณ์ตึกเกิดขึด้นมันยักไปเนี่ยเกิดจิตไปนี่เนี่ยวิเศษมันเขาว่ายกจิตขึ้นสู่อารมณ์ได้จิตไปสู่อารมณ์อย่างนั้นวิจารณ์มันนะว่าประคับประคองให้จิตนี่ข้อคือ้นอยู่อารมณ์นั้นให้มันเป็นหนึ่งอยู่ตรงนั้นนีเนี่ยวิจารณ์แล้วถ้าเกิดปีติอิม่มเออทราบาทราบขึ้นมาเป็นอยู่ในกายในใจมันมันสน ร, ร้างไปเป็นร่างกายด้วยแล้วก็มีความสุขอยู่ในจิตแล้วก็จิตเป็นหนึ่ง อันนี้เรียกว่าโถมชาะฉะนั้นถ้าใครมีคุณธรรมเหล่านี้อยู่ในจิตก็จะเรียกว่าเป็นโฐมชาญก็ได้แต่ถ้าหาว่าเห็นพวกเหล่านี้ด้วยแล้วก็รู้ด้วยว่ามันไม่เทียบ ก, กับผู้แต่งนิทาก็เรียกว่าแทนที่มันจะเข้าฌานเฉยๆเนี่ยในฌานนั้นเนะี่ยสามารถเห็นความเกิดดับได้เป็นวิบัสนาได้พอวิบัตนาจริงๆเนี่ยขั้นลึกขึ้นขั้นที่จะตระหงกิเลได้เต้ามีอารมณ์ฌานรองรับโดยอย่างน้อยโถมชาญ เอาเรียกว่าถ้าหาว่าฌานเฉยเขาเรียกอารมณ์นูนกับฌานหมายว่าเพ่งอารมณ์จ่ออยู่กับอารมณ์รู้อยู่อารมณ์เดียวตามอารมณ์ไปตามอารมณ์ไปมีอะไรเกิดขึ้นก็ไม่ได้ไปรู้หลกเข้างนอกเนตามอย่างเดียวตามลมเพว่าตามลมก็ลมไปตามลมไปตามไปกันเนืองแต่ไม่มีอะไรอยู่ก็ตามแต่ว่ามันไม่ได้ไปเห็นความเปลี่ยนดับไม่เห็นความเปลี่ยนแปลงอะไรมันปล่วางไว้ได้มันไปนิ่งอยู่เฉยหรือจะเข้าลึกจิตจนทิ้งที่กทุกอย่าง ดับวินาดับสัญญาดับจิตก็ไม่สามารถหลุดพ้นได้อันนี้เป็นแค่ตัวสมมติเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นมันจึงไม่สามารถละกิเลสได้เพราะฉะนั้นต้นงนาานองะะให้จิตนีรู้ตังรู้เลยรู้ตลอดอมีอะไรเกิดขึ้นรู้รู้รู้รหมดแล้วก็ไม่จะยึดไปจิตไปค้องเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าอะไรเกิดขึ้นในจิตรู้อย่างนี้แสดงว่าเขาเรียกว่าลักขณูปนิชาน และคำนึงปไปนิจในลักษณะของมันพอาการของมันนีคือเป็นสมมาสมาธิสติก็เป็นสมมาสติเป็นสัมมาสมาธิพิมมาาจารณาอาการของมันลักษณะของมันว่ามันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปนี้มันจะพัฒนาไปถึงความเป็นวิปัสสนาญาณเสียก้าวสุนเรื่องกรณีการบุตรก็คือในอนี้มีทั้งฌาน ด้วยแล้วก็มีทั้งพัญญายามด้วยอยู่ในนั้นท่านเป็นว่าทั้งสมถะเละเวทนาคู่กันที่พอพอพุทธิยฌ า, ยาน่ในว่าอ้วิศวิจารเนี่ยมันไม่เอาแล้วมันหยาบมันจะต้องมาคอเคลีย อ, อยู่กับอารมณ์ไม่เอาแล้วมันมาจุดจ่ออยู่ความอิ่มใจแล้วก็มีความสุขมีเอกขตามีโลพุทติยฌานต่อมาปีตอนนอกิก็ไม่เอาแล้วหยาบต้องมาดูความสุขมาดูความสุขมาดู ความเป็นอุปนาสัยนี้เรียกว่าจาตุยฌานพระรัชญาลีบุตรนี่รู้หมดเหมือนเมื่ออยู่ในฌารกรมกันนะเป็นการท่านจตุยฌานวางสึกจิตเน่าแน่อยู่มีสติเป็นอูเบขาเน่าแน่อยู่อันนี้พระเจ้าบอกว่าพระรัชญาลีาบุตรนี้เข้าจตุยฌานก็รู้ว่าเป็นอย่างนี้แลแ้วก็รู้ว่ายังมีอีกแล้วรัาลีบุตรก็เข้าอาตาสารนันจายตนะนี่เข้าอารูปฌานแล้วไม่ต้องรูปดีต่อไปแล้ว ที่ผ่านมามีแต่ลูกเจออยู่กับลูกแต่คราวนี้ไม่เคยลูกเนะี่ยเพิ่มความว่างอากาสารมันจานี้จะนะเพิ่มความว่างความว่างไม่มีประมาณมันจะไม่มีประมาณจ้างขวางขนาดไหนสารีบุก็รู้ได้ว่าอันนี้ยังไม่ใช่ก็รู้ว่าตรงนี้มันไม่เที่ยงมันยังเปลี่ยนแปลงก็เข้ายินจ า, นนจ า, นนะ ม, ามันจ่ายเงินมาแม้คามความว่างก็จะมีตัวรู้อยู่ เพ่งตัวรู้ต่อไปเขาเรียกวิญญาณัญจายะวิญญาณก็ไม่มีประมาณมันเลยมีวิญญาณอยู่มันยังละลายเครชิงอยู่เหมือนเหมือนเชียงทุกได้อยู่ก็เพ่งความไม่มีอะไรเพ่งความไม่มีอะไรในความไม่มีอะไรที่ว่าเพ่งอยู่นั้นก็มันก็มีความเปลี่ยนแปลงไม่เห็นเพ่งความไม่มีอะไรเรียกว่าอาจิปัญญายตระจตนะเพ่ง ต่อไปโมันจะมีสัญญาก็ไม่ใช่ไม่ใช่สัญญาก็ไม่ใช่เดียววันเมวสัญญาณาสัญญาเยสนะอันนี้พระเจ้าเล่าสารีบุตรนะเข้าฌานเข้าชานแล้วก็พิณาองค์ฌานไปเรื่อยเรื่อยเรื่ยแต่ทีนี้พอสารีบุตรเข้าไปถึงเมวสัญญาณาสัญญาเยสนะพิณาไม่ได้นี่ยพระเจ้าก็ะอกนี่หลเพราะนั้นคนที่ทำํำพิณาที่บอกว่าพิณาองค์ฌาน จะไปถึงจุตนึ่งที่นาต่อไม่ได้มันวักบักแวนแนอยู่ข้างในนู้นไม่รู้สึกอะไรแล้วจมอยู่กับสมาธิอย่างเดียวรู้อยู่รู้อยู่แต่ว่าไม่สามารถทําความเข้าใจอะไรได้เลยรอจนคอยออกมาเพราะมาจังเลว่าปัญญานาคงใหญ่ยศนะมาอยู่ป็นอาจินจำเดียร์ยศนะแล้วก็ที่เป็นาสิ่งที่มันถามมาเมื่อเชียร์รู้สึกผีผ่านมันมื่อี้ก็เห็นวาอ๋อมันก็ไม่เคลื่อนเหมือนกันนะเนี่ยมันไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราเหมือนกัน แล้วก็เข้าใจพร้อมกับพระสารีบุตบรบลุข้ามนาความมีตรงนี้แล้วก็เข้าสัญญาเวทนิสตานิโรท้าไปพักทิพยที่นี้กําลังเป็นที่โลดิ่้ต่อมาก็พุทธเจ้าก็ไปที่ถ้าสุการลสาตาพอดีมีหลานพระสารีบุตรมาเฝ้าพระสารีบุตรกำลังทับอยู่ตอนนี้พระสารีบุตรเนี่ยท่านพัฒ น, นาธรรมนะเขาทับอยู่ทีนี้หลานของพระสารีบุตรก็มา มาแล้วก็มาถามปาัญหาวันนั้นเห็นเปิดอยู่นะบอกว่ า, าพระเจ้าไม่ชอบใจความเห็นอะไรเลยคือไม่ไม่ชอบใจอะไรเลยมีความรู้สึกว่ามันเหมือนกับว่าไม่ชอบใจไม่ถูกใจกับอะไรเลยไม่มีอะไรเลยที่มันถูกใจพระเจ้าไม่มีความเห็นอะไรเลยที่มันถูกใจพระเจ้าหรือว่าพอใจดีหมดเป็เงี้ยมีขุนเจ้าก็เสือมออกไป นี่นี่คือปัญญาของยอดแทงทะลุออกไปเพราะฉะนั้นท่านก็ต้องไม่ชอบความเห็นนี้ด้วยที่เชื่อมเข้าไปเลยคนอย่างนี้มันซัดโทษไป้างโนะซัดไปทางโนะไม่เห็นไม่ชอบใจความเห็นอะไรเลยทั้งหมดเลยไม่ชอบแต่ว่ายังชอบใจความเห็นตัวเออยู่เนี่ยคีดว่าความเห็นตัวนี้คิดว่าสวนออกไปเลยว่าเพราะท่านก็ไม่ชอบใจความเห็นตัวนี้ด้วยชื่อไม่ชอบใจอะไรเลยนี่ท่านจะต้องไม่ชอบด้วยแลวจะหยุดทันทีเลย หรื เ, เข้าใจกันดีเลยกข้ารูอฝังทุบเข้าไปหาจิตเลยนันเข้าไปหาจิตเลยแล้วพระองค์ก็พูดเรื่องเวทนาทั้งหลามันไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นนัตตาข้ า, ารือจับจ้องอยู่ที่จิตอ่ะแต่เวทนามันมันตอนนี้มันอยู่ในจิตแล้วท่านก็ตามดูไปตามดูไปแล้วก็บรรลุเป็นผลันได้ในข็นที่บวกพัดอยู่นั้นพระพุทธเจ้ า, าก็เทศเรื่องเวทนามีรางกายแล้วเวทนาจิาตสุดท้ายเวทนาจิต เรียกว่าสารีบุตรก็เลยบรรลุธรรมเป็นกัลันณ์ส่วนหลานของพระนต์อริบุตรนั้นบรรลุกัโสดาบันบุคนแล้วก็สรรเสริญเจว่าโอ้สิปัสสิภูมิแจ่มแจ่มยิ่งเนอเนี่ยเหมือนกับบุกจิตตะคิในที่มืดเหมือนกับบอกทางแก่คนลงทางเหือนไหนของที่ความของที่ความอยู่อย่างไหขึ้นมาแล้วก็สรรเสริญขอถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมมสงฆ์ว่าเป็นที่ตึ้งที่เลยตลอดไปแล้วก็รู้สึตจะจากไป อันนี้ภาษาลิบุตรก่อนเล่าถึงการบรรลุธรรมของภาษาลิบุตรเรียกว่าปัญญามีกว้างขวางมากแม้แต่ในองค์ฌานก็สามารถพิจารณาได้ทุกทันทุกภูมิเลยและสามารถเข้าฌานได้ทุกระดับอันนี้ก็ยิ่งเห็นว่าภาษาลิบุตรเนี่ยมีปัญญากว้างขวางพระเจ้าคำสอนแบบนี้เพราะฉะนั้นวันนี้เราเราก็ตามมาถึงเรียกว่าเป็นเป็นที่เขาศสน่หละของภาษาลิบุตรเป็นกฐนูเพื่สร้างขึ้น อเป็นพี่รละลึกของภาษารรบุกก็เป็นสาวกของพระพุทธเจ้าเป็นสาวกเบื้องขวาเป็นอักษรภาวกที่สําคัญอักษรภาวกเบื้องขวานี่มีปัญญามากกวขวางมากทาประโยชน์แก่พระศาสนามากนัยเนี่ยการที่ท่านทําประโยชน์แก่พระศาสนามากมายนั้นก็เพราะว่าท่านมีปฏิบัติตามคําสอนของพระพุทธเจา้าและก็เป็นผู้ที่ได้สั่งสมอบลมมาตั้งความปรารถนามาเนิ่นนาน รู้สึกจะมุ่งเอาสองไขสามกับพระษาลีบุตรเนี่ยจนกระทั่งส า, ามารถบรรลุเป็นหนักภาษาเรื่องขวาของพระพุทธเจ้าได้แต่เมื่อบรรลุแลนะ้วท่านก็มาช่วยพระพุทธเจ้าพระเจ้าให้ทําอะไรท่านจะทําเวลาแสดงทำอะไรก็เป็นหน้าที่ของพระพุทธเจ้าบางครั้งพระเจ้า ก, ก็มอบหมายให้อบรมสัสอนโดยเฉพาะภาษาลีบุตรเนี่ยท่านมีนิสัยที่อบรมสังสอนเม้น่ะจะเห็นว่าเวลา พระพุทธเจจะบวชบวชเนรพระาหุนนะแ่มเนรองค์แรกที่ว่าเสด็จไปกุงกาบินลพัทแล้วก็ร า, าหุนมาขอสมบัติราก็สมบัติว่าแม่นี่เออนางนางโสตราพิมพาก็สอนลู ก, นะก เ, เนี่ยสอนลูกเอาว่าเนี่ยพ่อของเจ้าเนี่ยเสด็จมาแล้วเสด็จมาแล้วเลยพระสมบัติของพ่อมีมากมายเลยนะ แล้วเธอนี่จะเป็นพรยะรายารับพระยาดองต่อไปอได้เป็ น, นตาตาดงต่อไปให้ขอสมบัติของพ่อนะเนี่ยธรรมดามแม่ก็ห่วงลูกขอลูกเนี่ยให้ไปขอสมบัติลูกก็ตายจากพระพุทธเจ้าขอสมบัติแต่นพระเจ้าก็ลํำพึงทีเหมาเพราะพระเจ้ามีอะไรที่มันเหนือกว่าแล้วนี่เราจะให้อารีย์ซับเนี่ยแก่ลาหุ่มหน้าอ่ไอ้สมบัติภายนอกคนเอาติดตัวไปไม่ได้เนี่ยเราจะให้อรีย์ซับแก่ลาหุ่มก็คือความไม่มีทุกนี่แหละ ก็เลยถ้พระตาลีบุตรมีบวชพรลาหูเพื่อที่ให้ได้ปฏิบัติธรรมเพื่อกระทั่งลาหูมีกาบรรลุธรรมเหมือนกันเห็นไหมว่าไอ้ที่พระเจ้าสอนพระลาหูมีโอ้มีมีหลายหลายหลายสูตรเลยนะสอนต่้งแต่ให้ทําใจเหมือนแผ่นดินก็สอนได้เลยทำใจเหมือนแผ่นดินคือยังไงดินใครจะมาเหยียบมาย่ํำจะขี่รถเยี่ยงรถดินมันก็เฉยสอนให้ทําใจเหมือนผ่าน้ํา น้ำเป็นยังไงไสยเทพของดูเลยดีลงไปกปกๆขนาดไหนลงไปสะอาดสะอ้านขนาดไหนลงไปเอาเงินเอาทองเทลงไปน้ำจะเฉยวิธีสอนทหารจิดนั่นแหละให้รู้จักปล่อยวางสอนให้ทําใจเหมือนผาด บ, บินผาดน้ำผาดลมผาดไฟ ก, ออก็คือเอาคุณสมบัติของสิ่งเหล่านี้เอามาสอนจิตของพลทหารพนี้ได้ฟังแล้วก็บางทีก็มีเหมือ น, นกันแหละพละหารก็ยังหนุ่ม บางทีเวลาไปบินพบาทใจมันชักมันทนองอะไรกลับมาแล้วพระพุทธเจ้าก็สอนพระราหูอย่าทายกาหนับเ้ยจ้ะปล่อยวางในยึดยึดติดข้องมันก็เหมือนเราเราไปไหนมาไหนบางทีนก็มีอารมณ์หนึ่งอารมณ์หนึ่งเข้ามาเหมือนกันแหละแต่ถ้าเราการรวมดีเราคอยอบรมสั่งสอนน่มันก็จะค่อยดีขึ้นมันจะเสลียวฉลาดขึ้นมันจะค่อยรู้ ม, มากขึ้นพระพุทธเจ้าจริงบอกว่าําว่าของพระองค์คําสอนของพระองค์ต้องปฏิบัติไปตามลําดับ ไม่ใช่ว่าปฏิบัติปุ๊บแล้วรู้ทันทีเลยไม่ใช่ต้องค่อยๆปฏิบัติไปตามลำดับเพอต่างหาว่าเราเห็นอารมณ์มันผ่านเข้ามาบ้างความเศร้าหมองบ้างความขุ่นมัวบ้างความไม่พอใจบ้างความพอใจบ้างความขุ่นเคืองขึ้นมาบ้างเปนหน้าที่ของแต่ละคนที่จะรู้มันเห็นมันแล้วก็มาอบรมจิตแล้วก็เอาสิ่งที่มันเกิดขึ้นมาสอนจิตให้เห็นว่าสิ่งเหล่านี้มันผ่านมาและผ่านไปเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไป อย่างนี้เราอย่าไปหลงยึดมอมเป็นเราถ้าเป็นหลงว่าเป็นเราไอ้เราโกรธเราก็เจ็บปวดทุกข์ทรมานะ่ะแต่ถ้าเราเห็นว่าอ๋อนี่มันเกิดขึ้นมาเรารู้เราเห็นเนี่ยมันสอนเราแล้วก็เปเครื่องทดสอบด้วยถ้าว่ากำเราเรา ย, ยังน้อยอยู่ะ่ะการอบรมของเรายังน้อยจะยึดนานหน่อยเป็นเรานานหน่อยมันก็อยู่กับเรานานแล้วเรามันก็บีบกันเราแต่ถ้ากำเราเรามากขึ้นมันก็อยู่กับเราน้อยหน่อยนี่เราก็เปเครื่อง เี็นเครื่ตรวสอบได้อย่างหนึ่งคือทดสอบหรือประเมินผลว่าเออตอนนี้เราปล่อยวางอารมณ์ได้เร็วหรือช้าถ้ามันได้เร็วก็แสดงว่าเอออินซีย์เราเนี่ยมันแกิดกล้าตีถ้าเราวางได้ช้าก็แสดงว่าอินทซียเรายัางอ่อนมากก็เป็นเครื่องวัดอย่างหนึ่งเพราะฉะนั้นจะเอาเป็นแค่เครื่องวัดเครื่องทดสอบหรือเอามาเป็นบทเรียนสอนจิตเราว่าเราสอนตัวเองได้มากได้น้อยแค่ไหนถ้ามันยังสอนตัวเองไม่ได้อู้ประเมินไม่ได้เลยต้องพยายามนะ้ สองพยายามเพราะว่าเราเกิดมาในโลกนี้้าดจิดเหมไกลายางของพระพุทธเจ้าแล้วพระเจ้าถือว่าคนเราเกิดมาต้องเกิดมาเพื่อสแสวงหาทางดับทุกข์ตรงนี้เท่านั้นเลยนะถ้ามันดับทุกได้แล้วมันหมดเลยทุกสิ่งทุกอย่างที่น่าใข่น้าชอบใจหน้าปลาธรรมะในโลกมันไม่มีต่อไปแล้วแมยว่าตรงนี้สูงสุดประเสริฐสุดแล้ว เพราะพเจ้าจินถือว่าทุกคนที่เกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยเกิดมาเพื่อสแสวงหาทางดับทุกข์คือให้ถึงพระนิพพานอันเดียวกันถ้ามันยังมีทุกข์อยู่นี่เนี่ยมันมันเหมือนกับว่ามันต้องหาสแสวงหาทางออกไปได้ในงั้นมันไม่สิ้นสุดมันก็จะทําให้เราทุกข์ต่อไปแล้วก็วนเวียนอยู่ในวัฏักทุกข์นี่แหละแล้วก็บริเวณนี้มันก็สมัยก่อนก็คงเป็นบ้านของภาษาลิบุกเพราะว่า ตามประวัติแล้วภาษาลิบุตก็สุดท้ายแล้วก็ล่าลาพระพุทธเจ้านะจะมาปรินิพานที่บ้านของท่านนะเพราะว่าท่านอยังมาโกรธโยมมันดาของท่านโยมมันดาท่านานี่เป็นลูกชายพี่ๆเขาลมาถือศาสนาธรรมเพราะนั้นก็ล่าร้องอยู่ตลอดอยากให้ภาษาลิบุตเนี่ยกลับมาหรือว่าลูกหลานลูกของอะไรอย่างนี้เหมือ น, นน้องกภาษาริบุตเนี่ย สุดท้ายก็ไปเบียดหมดอ่ะ ล, ลูกเป็นเพื่อนหันกันหมดแต่แม่นิมิตรพาพี่ก็ลึกถึงเนี่ยอยากให้ลูกนี้กลับมากลับมาก็กลับมาเพื่อมาเขาลงม้ำผึ้งแบบเดียวแบบที่ตัวเองเขาลงน้ำผึ้งเลยนะไม่ได้เลื่อนใสในภาษาริบุตรนะเพราะภาษาลิบุตรนะก็คือมันก็อ า, าพาธเด็กอ า, าพาธคือที่จะปริลนะิพนาเน่ะอ า, าพาธก็ อ, อยู่ในห้องห้องที่ท่านเกิดด้ว่ยก็มีจินทะ สินท่านนีนก็เป็นน้องของท่านต่อมาเป็นอุปถัมภ์แต่ว่าตนกลางคืนแล้วก็มีเทวดามาตามประวัติอ่ะมีแสงสว่างเนมะื่อก็เห็นนะ่ะเออก็ามาถามว่าใครมานาริบุตรก็บอกว่าอันนี้เป็นเทพท่านนั้นท่านนั้นท่านนั้นรวมพระงเท้าศักดิ์สิทธิ์พระอินทร์ก็มาเสียวพระรดึกิดๆมาก็มีผมานางสาลีเนี่ยเขารบพรหมแต่ถึงสิบของกรามพระเจ้าองค์เขาคือพรม ใครมาเลยสว่างสวัยสวยงามมากภาษาลิบุอเอนนี่ผมโอ้ผยังมากราบไหา้ลูกเราเลยเลยเนี่ยแสนง้นลูกเราไม่ธรรมดาแล้วเน่เก็เกิดความประภเลือ่อใสก็เลยมาขอให้ภาษาลิบุนีแสดงธรรมให้ฟังภาษาลิบุก็แสดงธรรมให้ฟังแสดงธรรมใย้ฟ ง, งนานก็เปลี่ยนเพีงในธรรมะต่อสิระสัจจยะทิฏิได้ละสีละพัตตปรามะในละวิจิจชาได้ ต่อเลยต่อว่าพระาริบุวะทําไ ม, ไ ม, ไ, มไม่ไม่ไม่สอนเมฆทำไมแบบนี้ทำไมไม่สอนเม่เป็นอย่ที่แรก่อให้เมฆหลงอยู่ได้ยังไงพระ迦ริบุลมเมฆเปิดใจฟังเหรอเมื่อก่อนเมียจากนั้นพระาริบุตรก็ตอนนี้พาเม็กซ์นั้นตอนนี้มีพาแล้วก็วกเขาสาริลาศกตร น, นี้แหละเป็นที่ทำประตูนี่แหละแล้วก็มอบบริการของท่านนะให้ให้เอาไปนูน้น เอาไปกลับไปหาพระพุทธเจ้าลนุ่ไปถวายพระปูตะเจ้าวหนุ่มนท่นทาก็กลับไปกลับไปก็ไปพบพระอนนทณณ์พรอนนท์ยิงอุปทามภ์อวัดตะวันนั่นแหละก็บอกว่านี่เป็นบริขารของท่านสารีบุตรเตนาบดีขององค์สมเด็จพระสัมมาสามาัมพุทธเจ้านีกระบ่ามีตะกีบบอลสังขาริีเขียท่านหลนนัปเลยนิพพานแล้วนอนนท์มีผุกพักับสารีบุตรมากเป็นเหมือนอาจารย์่ะสารีบุตรมีเมตตาพระอนนท์มาก คอยอบรมสั่งสอนทานมมีอะไรสงสัยก็มักจะถามพระพาริบุตรอยู่เสมอแล้วก็เห็นว่าพระพาริบุญย์ีทําประโยชน์แก่ภาษาจีนามากช่วยสอนสาวกของพระเจ้านั้นบ้างมีบ้างเป็นที่ทึ่งของพระของเน่ะอ ม, มีอะไรสงสัยเวลาฟังธรรมของพระพุทธเจ้าบางทีพระพุทธเจ้าก็แสดงธรรมย่อๆพระพาริบุญยก็ต้องมาขยายให้ฟังหัวปัญญาท่านมากประเว็นทึ่งชมของ พระทั้งหลายทีนี้ถ้าอนนมน์ใกล้ชิดภาษาลิบุตพอเห็นบริขารมเเนะีตัวเซลอนะตามีมืดมัวเลยอนะ่ะพอเอาบาสเอาจีวรเอาสังขปีนเอาบริขารของพระษาลิบุตตอนพวกเราได้มีโอกาสที่จะได้ใังภาษาเซดาแล้วสมควรแก่เหุแล้วก็อเอาบริขารไปถึงก็ถวายบริขารแต่พระพุทธเจ้าเน่ยนี้เป็นบริขารของ ภาษาลีบุตผู้เป็นเสนาบดีพอข้าพระพเจ้าได้เห็นบริขามของเอขั้นภาษาลีบุตรแล้วข้าพเจ้าเนี่ยดวงตา ก, ก็มืดมัวราวก็ว่าทิศทั้งสี่มมืดมนไปหมดอะมองหาทิศไม่เจอร่างกายก็งอมึนมลอยไปหมายก็ว่ามันมันความเข้าอ่ะมันมเข้งินปิดอะท่านบรรยายว่าเออมันมองทิศทั้งสี่ว่าไม่ชัดเลยอมันเหมือนมืดมนไปหมดอะร่างกายก็เหมือนงุมู งองงุ่มลงไปเหมือนจะชวนเตเหมือนจะล้มลงไปแล้วทนแล้วคุยเหมือนจะไม่มีเรื่องไม่มีแรงพระพุทธเจ้าบ่อยๆดูก่อนอาน์สลริบุตรเอาศีลขันสมาพิขันปัญญาขันมีมุติขันมิมุติยามพัฒนขันไปเดือ่อหรือไม่ได้เอาไปด้วยพ่อานนบอกว่าไม่ได้เอาไปด้วยพระเจ้าข้าแต่ด้วยที่ข้าพเจ้ามีนสนิทสนมก็ภาษาริบุตร ด้วยคู่มประการที่ท่านภาษารีบุตรได้จัดทำเอาไว้เนี่ยมันประมาณไม่ได้แต่ข้าพเจ้าก็เลยอดไม่ได้ที่จะอะไรอาวรต่อภาษารีบุตรเหมือนครั้งที่เป็นพระเจาบันแล้วนะพระอานนท์เนี่ได้ข่าวคราวว่าภาษาลีบุตรสันนิพนธ์เนี่ยก็มีความรู้สึกเศร้าโศกรู้สึกความอะไรอาวร์แต่ตรังนี้ก็ไม่นานหรอกนะพอได้จังทำและทำหนึ่แล้วเขาก็ล้างารพระท่านละสัตายาที่ดีอะไรได้เบามากแล้วก็ช่วงแรกๆก็จะเต็มขึ้นมา พอได้ฟังทำได้ลบล้างเคุณเจ้าก็เปรียบเทียบให้ฟังว่าเอต้นไม้มันจะใหญ่ขนาดไหนมีแก่นขนาดไหนสุดท้ายมันก็ต้องแตก ด, ดับสลายไปอัติละทั้งหลายก็เหมือนต้นไม้ใหญ่ๆเหมือนกันแหละอะไรอย่างนี้จะคุณเปรียบเที่บเหนืนความไม่ เ, มมเที่ยงเป็นทุกข์จนอ น, นุตาเนี่ยเพราะนั้นก็อริยมรรคียงแตกทาง ด, ดําเนินไปทั้งออกจากทุกข์ก็ังมีอยู่ให้พากันประพฤติปฏิบัติตาม คือย่อมยอมเข้ามาก็เป็นศีลสมาธิปัญญานีแหละแต่ท่านว่าศีลละคะเนี่ยศีลละครเนี่ยมันก็ถ้าเชื่อกับมมัดแต่แต่ว่ามัดแต่นี่มันมันจะจ่อเข้ามาหาจิตเป็นรื่องของจิตเลยเพราะว่าศีลเนี่ยมันจะเว้าฝวางกว่าคือถ้าเป็นศีลจริงๆเนี่ยศีลเนี่หมายถึงว่าการกระทาดีทาถูกทาต้องสํารวมกายวาจาจิตใจมาติดชินไปหมดเพื่อให้ ให้สติยิมันควบคุมคิดได้ดีคิดได้เร็วแต่ถ้าเป็นองค์มากแล้วก็หมายถึงคำรวมกายคำรวมกายไม่ไ่ฆ่าตัดไปลักทรั บ, บไปปุ้ยจีนรนมอย่างเงี้ยอแต่ัดคำรวมวาจาเนี่ยวาจาพ่อจะมีสํา ม, มาวาจาวาจาพ่อไม่พูดเท็จไม่พูดหยาบคายไม่พูดเสียดสีสเสียดนไม่พูดหยาบคายไม่พูดเพิเจอแล้วก็อาชีพพ่อ สัมมาวาจาสัมมากรรมโตก็ไม่ฆ่าสัตวไม่รักษบไม่คิดถึงไม่ารสัมมาอาชีโรก็มีอาชีชอบอาคีชอบมีอะไม่คดไม่โกงไม่คลอนลับชั่นรวมไปหมดแหละรวมทั้งอาชีพที่ต้องห้ามห้าอย่างไี่ค้าขายมนุษย์ไม่ค้าขายสัตว์เพื่อเอามาที่มีชีวิตเพื่อเพื่อเอามาเป็นอาหาร ในค้ายาพิษในค้าสตราอาวุธในค้าพวกน้ำเมาทั้งหลายนอกนั้นก็เป็นธรรมะอาชีพอาชีพที่สุจริูกต้อแต่ว่าทั้งโลกก็ยังมันก็แตกต่างนิดหน่อยนะบอกว่าเออก็ก็าอาชีพสุจริตอะ่ะขายน้ำเมาก็สุจริตอะแต่ทีนี้ถ้าเทียบร า, ายละเอียดเข้าไปอะ่ะมันก็ไม่ถูกต้องเพราดังนั้นอาชีพเนี่ยถ้าเราจะประกอบอาชีพก็ต้องเลือกอาชีพที่มัน มันเป็นกุศลด้วยมันช่วยเหลือคนอื่นแล้วมันก็ทําให้จิตใจของเราเนี่ยมันสงบหน้ามันมีความสุขความสบายมันมีกรรมอ่ะแต่ว่าเที่เกิดมาแล้วถ้าไม่มีกรรมเลยก็ไม่ได้มันต้องมีกรรมไม่มากก็น้อยกรรมทางกายก็มีกรรมทางวาจะก็มีกรรมทางจิตใจก็มีถ้าจะให้หมดกรรมจริงๆก็คือไม่ต้องกลับมาเกิดไม่ต้องลงตรวนี้เลยนะถ้าเกิดเป็นคนมันต้องมีกรรมอย่างพระอรหันต์ก็มีกรรมเหมือนกันแต่ว่ากรรมเนี่ยมันไม่ให้ผลต่อท่าน ไม่สามารถให้ขนไปตกมาลกเป็นนู่นเป็นนี้ได้แต่จะไม่ให้กิจภานเลยก็ไม่ได้ไมันก็ต้องมีขีดนีข้อเ น, นี่ยเพราะนั่นการเกิดนี่แหละต้นเหตุสาคัญที่ทําให้มีกรรมทําให้เรามีทุกข์ได้อันนี้เรามายัางที่มีต่อไปนี้ก็จะเราก็จะสำรวมจิตใจนะเพื่อบูชาบูชาธรรมของพระพุทธเจ้าเรามายัางสถานที่แห่งนี้มันก็ทําให้เกิดธรรมะสังเวยได้อีกอย่างหนึ่งบอกอ๋อ แต่ก่อนจะเล่นมุ่งเรียงมากมีคนมาศึกษาได้รับความรู้ความเข้าใจในพุทธศาสนาเป็นหมืนม่นๆอะไรอย่างเงี้ยมีชื่อเสียงไปทั่วโลกแต่สุดท้ายมันก็ไม่ได้ อ, อะไรเดือยอำนาจของจิตใจของคนเราที่มันมีกิเลสกันเอาบาทำเนี่ยมันทําลายล้างได้ทุกสิ่งทุกอย่างเพราะนั้นเราก็เอาอันนี้มาสอนใจเราตอนนี้นข้างนอกใหญ่โตขนาดนั้นสุดท้ายมันก็ถูกทําลายแบบเปลี่ยนแปลงแบบ เพราะร่างกายของเราจิตของเรามันก็พร้อมจะเปลี่ยนลงไปตลอดเวลาเราต้องมาเรียนรู้ข้างในตัวของเราเดีย๋ยวมาดูว่ากายเราตอนนี้มันอยู่ยังไงนะวันนี้เราคือมาดูกายแล้วเพื่อให้มันเห็นเพื่อจ่ละสัจจะที่ผิดให้ได้ละสีล้วัตตพลามะละวิชิติสาได้เดี๋ยวทำมันสูงขึ้นไปแล้วก็เข้ามาทํามันวางถิ่นเหล่านี้ดันจะเข้าไปหาจิ ตรที่วางได้แล้วมันจะเข้าหาจิตเข้าหาจิตนี่มันจะรู้ด้วยว่าเออข้างนอกมันอะไรมั่งที่มันไม่เอาแล้วอะอย่ามองดูร่างกายมัเหมือนมันถูกมันเหมือนขาดไปจะ็บจิตได้มหมือนจิตไม่เอาแล้วเพราะนั้นมันจะจ่อลงไปที่จิตจะลึกซึ้งเข้าไปไม่อหือเหินนะพวกเนี้ยลึกซึ้งเข้าไปเลยเหมือนจิตดูจิตเลยคู่ดูกับผู้ดูมันตามกันอยู่จิตจ้องกันอยู่ทำให้ลึกซึ้งมากต่างกันกับที่ดูจิตแต่ว่ามันจิตมันยังยึดอยู่มันแค่ดูเฉยอ่ แต่รู้จิตอยู่ยิ่งใแต่ว่ามันยังยึดมั่นถือมั่นอยู่แต่ประเภทหนึ่งเนี่ยโอ้กายก็ไม่เอาเวทนาก็ไม่เอาอาการของจิตอะไรเนี่ยเอาหมดแล้วเหมือนเรื่องข้างนอกนิวางหมดเลยอย่างพวกนี้ลูกวิจิตเสียงก็บัตกรเด็นลงไปจะจิตหมดแล้วเรือจะจิตดูจิตนะทีนึงผู้รู้สิู่้รู้หีบจ่อเข้าไปจ่อเข้าเหมือนมั น, นใกล้กัในใกล้ถ้าไปบางทีเหมือ น, นลงตัวปุ๊บเหมือนเป็นเดียวกันแต่มันยังไม่ยังไม่ลงตัวก็มี ถ้ามันลงตัวนี่มันจะเป็นอีกแบบหนึ่งมันมันก็ไม่รู้จะอธิบายยังไงเนี่ยไอความลงตัวของมันมันก็เลยไม่อยากพูดตรงนี้พูดแต่ว่าเออคนที่เห็นถ้ามันลงตัวเมื่อไหร่ถ้าหาว่ามันเป็นจริงเนี่ยมันจะรับรู้กันได้ว่าเอออันนี้ลงตัวจริงแต่ถ้ายังไม่ลงตัวมันก็จเกิดความสงสัยอยู่เอ้ยมันใช่หรือไม่ใช่เดี๋ยวมันก็มีสงสัยยุ่งยุ่งไม่ได้เลยสิ่งเหล่าเนี้ตั้งไม่มีความสงสัยอยู่เลยมันจะหมดเนี่ย เพราะันในจิตของคนเราเนี่ยมันจึงสามารถที่จะบรรลุธรรมได้เพราะการที่บรรลุธรรมเนี่ยอย่างพระพุทธเจ้าเนี่ยไม่ใช่ร่างกายเป็นพระพุทธเจ้าความรู้แจ่มของท่าน่ะจิตของท่านที่ไปตัดรู้ว์บรรลุว่ามันไม่มีอะไรเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นของเราได้ตรงนี้แตกหน่อยที่เป็นพระพุทธเจ้าในความรู้ตรงนั้นพอจิตไปถึงตรงนั้นปั๊บมันเป็นพระเจ้าตรงนั้นแต่พระร่างกายก็ยังอาศัยอยู่ จิตตรงนั้นมาอาศัยอยู่มันก็เลยเหมือนว่าร่างกายก็เป็นที่อยู่อาศัยความเป็นพระพุทธเจ้าด้วยคือความรู้ตรงนั้นรู้แจ้งตรงนั้นชัดเกนอยู่ตรงนั้นเพราะฉะนั้นผู้ที่บรรลุธรรมก็คือจิตเนี่ยที่มันเข้าไปรู้แจ้งความจต็มอย่างว่ตถะด า, บานบรรู้แจ้งความจต็มระดับหนึ่งและความเห็นจิตไดเห็นอยู่แล้วก็เข้าใจว่าไม่ใช่ตัวตนของเราที่มันห ย, ยายบยากมือนหยาบๆละได้ กิริยากรรมมีนาครรมมีจนทั้งถึงพลังานก็คือความรู้ปักที่ไม่มีอะไรเป็นเราเป็นของเราหมดความมุ่มหลงก็เป็นรู้เป็นพอลองงานได้ความรู้เพราะนั้นเราจะนุ่งให้จิตรู้เพราะนี่กิริยาการข้างนอกมันไม่เท่าไหร่แต่มันก็ต้องมากลับเหมือนกันมาเออเกี่ยวข้องอยังไงมันก็จะรู้นะว่าอ๋อมันต้องเกี่ยวข้องกันให้ถูกต้องด้วยถ้าไมาเกี่ยวข้องกันไม่ถูกต้องมันจะเกิดปัญหาขึ้นมาอีก ่าา น, นี้หลักธรรมของพุทธเจ้าก็คืออยู่ที่จิตเราตอนนี้จิตเรารู้ไหมถ้ารู้ตัวนี้ก็ถูกแล้วถูกทางกันจริงเลยรู้ก็คือรู้กายรู้เวทนาจิตหรือธรรมกายเราอยู่ยังไงจะรู้เวทนามีไหมชนิดใด ก็เห็นว่ามันเป็นเรื่องกายเรื่องวทนาแต่เห็นอย่างนี้ก็แสดงว่าไม่ยึดกายไม่ยึดวิธนาจิตมีอาการอะไรเกิดขึ้นก็รู้อีกวงาม็นทางาของจิตอย่างนี้ก็คือวางกายวางเวทนาวางจิตได้วางได้ชั่วคราวก็ยังดีก็ถูกทางละ่ะเอาเห็นแต่เห็นจิตเห็นจิตรับรู้จิตเห็นแต่ร่างกายเป็นอ่งมีเวทนาเป็นนี้ แบบเบาแบบไหนมีธนาแบบไหนหน้าตางเวธนาเป็นยังไงนี่ค้อมารู้ก่อนรู้เห็นอาการขึ้นมาอาการของกายอาการของเวธนารวมทั้งอาการของจิตมันมีอะไรเกิดขึ้นบ้างถ้าเรารู้อยู่เฉยๆอย่างนี้แสดงว่าเราเห็นละตรงนี้ที่เห็นและอยู่เฉยได้นี้ไม่ยืนมีไม่ยืนร้าอย่างนี้แสดงว่าไม่เข้าไปยึดไม่เข้าไปหลงผิดว่ามันเป็นตัวเราเป็นของเราก็ถูกต้อง เรารู้ว่านี่เป็มันเป็นร่างกายเป็นรูปกระเวทนาก็เป็นเวทนาขั้วก้องแห่งเวทนามันเปนเราไม่ได้หลยกล้องแห่งสังขารมันจะจูงใงอะไรขึ้นมาก็เป็นก้องแห่งสังขารถ้าเราบอกเราได้ว่านี่เป็นก้องแห่งสังขารก็จะได้เงาเห็นมันเห็นมันแล้วก็ไม่ยึดมันว่ามันเป็นเรามันเป็นก้องแห่งสังขารสังขารแล้วครับสังขารนี่ผู้เจ้าเปรียบเหมือนกับเป็นเป็นต้นกขวด คุณเจ้าปมาให้พระฟังดูก่อนที่คือทั้งหลายมีชายคนหนึ่งเขาอยากสร้างบ้านสร้างเรือนเขาก็ถือท้าเข้าไปในป่าพขไปแล้วเขาไปเห็นต้นกล้วยกําลังหนุ่มต้นใหญ่กําลังหนุ่มสวยงามดีก็คิดว่เาเออแบบนี้เราจะเอาต้นไม้นี้เอาแก่นของมันไปทําบ้านก็ไปตัดต้นกล้วยนั้นพอตัดต้นกล้วยเสร็จแล้วเขาก็ลอกกาบออกลอกกาบออกลอกกาบออกหวังจเจ้าแก่ สุดท้ายไม่มีกันเหมือนกระสังขารนี้ไม่มีกันสามสาระเกิดดับเกิดดับผ่านเมื่อผ่านไปผ่านมอผ่านไปเหมือนกับไอ้ไอ้กาบเป็นกล้วยหลอกกันแล้วก็ทิ้งหลอกกันแล้วครทิ้งหลอกกันแล้วครทิ้งคิดแล้วก็หมดที่แล้วก็ดับที่แล้วกะดับเปลี่ยนใจเปลี่ยนมายึดถือไม่ได้สุดท้ายไม่มีกันเลยหยวกกล้วยเยอะก็เหียวนีดก็แห้งนิดก็สลายไปตอนแรกคิดว่ามีกันพอเอาเข้าไปดูไม่มีกัน เหมัอนความคิของเราเนี่ยมันจะปรุงสักเรื่องขึ้นมาก็ตามไ ถ, ถ้าเราได้ดูมัน เ, นเห็นมั น, น่ะบางเรื่องนี้มันเคยเรื่องเราหนักเพราะเราปรุงแต่งแล้วเราเชื่อจริงๆเป็นจังตามนั้นแต่พอเอาเข้าจริงๆเนี่ยข้าเราตั้งสติดี ๆ, ๆ, ๆลองเอามันเข้ามาเหม่อตามเข้าไปตามเขาเหมือนลอกกาบออกลอกออกลอกออกลอกออกคื อ, ก อ, อกท่านไม่มีอะไร เฮ้ยเป็นเพราเราคิดขึ้นมาเองเราเชื่อขึ้นมาเองเราปรุงขึ้นมาเองเราเอาเข้ามาเองเนี่ยมันก็เลยวางเฉยด้างไม่มีกังวิญญาณก็ไม่มีจังวิญญาณยิ่งเราโพงยิ่งเกลียดเทียมเหมือนแต่ว่าเป็นเป็นนักมาอยากกลมันเลวมากเลยนะไอ้มาจักกลมมันซ้อมเป็นสิบสิบปีแล้วบางเรื่องเวลาเขาเฉเลยไม่น่าเชื่อเราต้องดูนะบางทีก็ดูเขาออกเขาออกรายการหรือเข้ามาแสดง วันนั้นไปที่บ้านหนึ่งมันมีเด็กออทิสติกเนี่ยแม่เขามาขอวา่าเด็กเขาอยากจะเล่นถวายพระอาจารย์เคือเด็กของเขาเป็นเด็กพิเศษแต่เขาชอบเล่นมายากลเล่นแล้วก็เป็นคนเดียวเป็นไม่กี่คนละ่ะที่เป็นออทิสติกแล้วก็สแสดงมายากลได้เขาขอเล่นถวายเราอยู่คนเดียวนะมาขอเล่นถวายเอาแล้วคนดูเป็นเราดูเพื่อเขาเนียดูเพื่อเขา เขาก็มาสแสดงเราก็นั่งดูอยู่เฉยเขาก็ทําอะไรขึ้นมาแล้วก็หยิบดอกไม้มันยังไม่ร่งตัวเลยไหมเยนดอกไม้มาที่เราปุ๊บเป็นนกพิราบบินชู่ออกมาเอ๊ะหรอวะอันนี้คือเขาซ่อนนกพิราบเอาไวา้แต่มันรวดเรงวมากไม่ได้ตั้งตัวเลยนกพิราบบินตรงหน้าเราตอนแรกมองเห็นก็โยนดอกไม้มาแต่กลายเป็นนกพิลาบบินปุ๊บออกมาแนทนที่ไอ้ไอดอกไะไรนั้น ก็บอเอเอเขาก็ซ้อมมาดีแต่เขาก็เฉลยไว้ที่หลังบนนกนกที่ลาบเขาซ้อนไว้ในแขนเสื้อเขาต้องมีคนงานคนนายรคอยช่วยนกก็ต้องเลี้ยงเอาไว้ด้วยเนะอ๋อสมกับมายากล น, นะแล้วก็แสดงอันนั้นอันนี้หลายอย่างมันเรืเ่อม่อะความรวดเร็วนี่มันทําให้เหมือนเป็นจรงิงเป็นจังนี่แหละนี่แหล ะ, หละความรู้สึก ข, ของเราที่มันออกไปรับรู้อารมณ์และเพิงแต่งขึ้นมาเหมือนเป็นจริงเป็นจังเนี่ยเหมือนจะเป็นอย่างที่เรารู้สึก แต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่มันเป็นความรู้สึกของเราเกิดขึ้นเองเหมือนเราเห็นเนี่นเหมือนเรานึกถึงตรงนี้ทันทีเลยเออมันเหมือนพระเจ้ากลมาเลยนะเขาโยนดอกไม้เหมือนจะดอกไม้ลุกจากมือเขาจริงๆจะกลายเป็นนกพิราบที่ไหนบ้ามันไม่ใช่มันทําท่าโยนดอกไม้เลยแต่นกพิราบมันกินตึ๊บออกมาแทนไอ้สัญญาอารมณ์ของเรามันมันไม่ขันตรงนี้อ่มันก็เลยเหมือนกับว่าดอกไม้เป็นนกพิราบแต่จริงๆแล้วมัน มันทําท่าโยนดอกไม้แต่มะกีลาบดินออกมาจาัดแสนเสืแทนมันก็เหมือนดอกไม้เป็นมะกีลาบเนี่ยมันหลอกลวงแบบนี้แหะอารมณ์ทั้งหลายเนี่ยมันจินตั้มจินบอกว่าเหมือนมายากลเน่ยจิตใจมันเล็วมากเดี๋ยวจะเอาเรื่องนั้นเข้ามาเรื่องนี้เข้ามา เ, เ, ามาเล็วมากมัให้รู้ทำมันสัญญามัเหมือนพยับแบบเดี๋ยว จ, จับเดี๋ยวมองไว้ยี้แยะี้แยะยี้ยเข้าไปกใกล้ไม่มีอยู่งทีก็เหมือนเหมือนมีหลาบเหมือนเงาเหมือนน้ะ เดินไปไอ้ที่เขาลาอย่างมาต่อยมองไปไกลๆเหมือนู่น้ําระเดินเขา้าไปไม่มีอะไรเนี่ยมันเป็นอย่างเนี้ยพี่เจ้าจรงอยากให้เห็นอย่างหเห็นอารมณ์ที่มันกอกเกิดขึ้นในจิตพวกเนี้ยมันเป็นเหมือนมายากาลแบบนี้แหละถ้าเราไม่ฝึกให้เห็นมันอย่างนี้นะเราเราหลงไปกับมันเดี๋ยเราก็ทุกข์ไปกับมันมากที่สุดเลยอย่างนั้นรูปประคับนี้ก็อธิบายแล้วเหมือนกับไอ้ซองน้ํา เวลาฝนตกระฟองน้ํากาะตัวขึ้นมาเดี๋ยวเ ด, ดี๋ยวก็แตกไปเดี๋ยวเดี๋ยวก็แตกไปร่างกายก็เหมือนกันเดียวกสุดท้าย ก, แกแ็แตกสละจายตายเวทนาเวทนานี่เหมือนเหมือนหยาดฝนเหมือนถึงนเม็ดเม็ดแบบตกลงมากระทบพื้นกับหายตากระทบพื้นก็หายตายหรือจะเราประมาณเห็นว่าขันห้าไม่มีตัวเป็นติ้ตัวชั่วคาวเหมือ น, นเป็นตัวเป็นต้นแต่จริงไม่ใช่ ถ้าใครเห็นแบบนี้ น, ะนั่นแหละนัและเห็นทำของพุทธเจ้าแล้วระดับใดระดับหนึ่งก็แล้วแต่เลยได้เห็นแล้วรู้แล้วรู้ทางแล้วถ้าไมไม่รู้ทำช า, านี้ทราบ ต, ต่อไปฟังธรรมแล้วก็จะบรรลุได้เนะนี่ยโยกาแบบอย่างนี้หรือภาวนาต่อไปทราบนี้เราเห็นแจ้งขึ้นชัดขึ้นชัดขึ้นปล่อยวางได้กิาานก็บรรลุได้โสดาบันก็บรรลุได้ เศราามีก็บรรลุได้มาคามีก็บรรลุได้พ่อหลานก็บรรลุได้หมดขึ้นอยู่กับอิทของเราว่าเราปฏิบัติแก่กามากน้อยแค่ไหนอาให้ดีๆสักนีหนึงเพเดี๋ยวเราก็จะไปกัแล้วคำนวณจิตนะใจเป็นโอกาสุดท้ายนะลองรออะไระเกิดขึ้นก็ตามนี่แหละ เราได้ทดสอบแล้ววิญญาณก็ไปรับรู้รับรู้สัญญาก็มีรู้ว่าเป็นเสียงคนรู้ว่าเป็นเสียงของภาษัขอบเนี่ยไอ้พวนี้สัญญาท้องขาเรามีจูงแต่งอะไรไหมไดรับรู้เฉยๆมีปฏิยาเกิดขึ้นก็เป็นธรรมชาติของจิตมันเป็นธรรมชาติเป็นแค่ปฏิยาไม่มีเราเข้าไปเกี่ยวข้องเราก็เห็นว่ามันมีอาการอะไรความรู้สึกเราเป็นยังไงอาการยังไงนี่เป็นธรรมชาติไปหมด เรายอมรับได้มันก็เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปมันก็มีผลต่อจิตเราเนี่ยนอกจากว่าเ อ, อบางทีมันมันไปมันไปเพียงเนี่ยติดข้องขุนเพียงขึ้นมาทำไมต ร, รมมงนี้ต้องคอยส่งเสียงรบกวนผู้ปฏิบัติธรรมอย่างง้นอย่างนี้อะไรมันก็จะเป็นได้แต่ถ้าจิตของเรามันไปรับรู้เพราะเรามีหูมีใจก็ต้องได้ยินน่พอได้ยินแล้วก็สัาคัญตรงที่ว่า ปกติของเรารักษาใจเป็นปกติได้ไหมเพราะเรามีพระพุทธเจ้าเป็นศาสตราทางออกก็คือทําไงก็ได้ให้ใจเราไม่เป็นทุกข์ก่อนไม่ให่ใเราจะยินดียินร้ายมันก็จะเข้ามาหากิตเราหมดนะอันนี้แหละเป็นทางออกทางทจิตใจให้จิตใจไม่มีทุกโดยทุกมากขึ้นมากขึ้นอะไรมาเกี่ยวข้องแล้วก็เห็นว่ามันเปลี่ยนแปลงมันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเป็นธรรมดามจนมันแน่นอนแล้ว เด็กขาดลงไปแล้วเนี่ยบรรลุเป็นพระรยาเจ้าได้เป็นพระโสดาบันก็ได้เป็นพิพาคำีก็ได้โนคำีก็ได้เป็นพระหอมก็ได้อันนี้เราพูดสรุปไปเลยหมายว่ามันมีทางออกแล้วเราเห็นทางแล้วเห็นช่องแล้วว่าต้องปฏิบัติตามคําสอนของพระพุทธเจ้านี้แหละให้มันตรงทางถูกทางแล้วมันมีทางออกเองมันหาทางออกเขามันเองไม่หยุดเนี่ยขอให้เราปฏิบัติให้ถูกให้ตรงถ้ามันไม่ถูกไม่ตรงแล้วมัน มันก็หมดโอกาสมันทําลายโอกาสแต่เหมือนอย่างในไอ้รัที่อื่นๆที่มาหาพระพุทธเจ้าอ่ะเจ้าก็รู้ว่าอันนั้นอ่ะมันเป็นมิจฉาพิฏฐิไปแล้วอ่ะปฏิบัติยิ่งเร่งคัดยิ่งเด็ดเดี่ยวขนาดไหนมันก็เป็นมิจฉาทิฏฐิอ่ะมันไม่สามารถดัขทุกภายในใจได้แต่ถ้าถูกทางแล้วปฏิบัติไปมันก็ต้องค่อยๆแย่งค่อยชัดย่ค่อยๆปล่อยวางเพื่อให้จิตเป็นอิสระมากขึได้เนีย เราก็จะรู้สึกว่ามันกลวงมันโล่ง ม, มันเบามันสบายเนี่ยอันนี้แหละตุวทางเนี่ยเราวถวายมอกภายถวายยิดเป็นพุทธบูชาทรรมบูชาสังขบูชามี่ทำเหมือนแต่ว่ามีอะไรเป็นของเราละ่ะ แา่นอนเป็นเครืองสักการบูชาแด่พระพุทธาพรรวมทั้งการบูช์การปฏิบัติธรรมในครั้งนี้ได้ผลของการปฏิบัติทั้งหมดด้วยแวายเป็นพุทธบูชาทำมมองบูชาสังฆบูชาเราไม่เอาอะไรแต่ก็ย้ำปฏิญาณ น, นะข้าพเจ้าจะพยายามปฏิบัติตามความสั่งสอนของพระพุทธเจ้าให้ยิ่งขึ้นไป ขอยครับเจ้าเป็นผู้มีสติปัญญารู้แจ้งแปงตลอดในอาลัยสัจธรรมจนผลจักทุกเมลัดงุศลไม้เคยเลยก็ให้ปั้นใจที่บินนะอำนาจพระิตรกะอำนาจพระอำนาจพระสงจงโดินบรรดาบินของกเจ้าต่างสาวดีถึงปัจจิบันใ้เจยญาเทวดาเป็นรักษาละไมวิญญาณกบเจ้าให้เจดิญยานทั้งหลายที่สินสุดปในสถานที่แห่นี้ยานทั้งหลายที่ปกปัจจาคู่กองสถานที่แห่งนี้ ดวงวิญญาณทั้งหลายที่คอยช่อยเหลือเกือกูลพระพุทสเจ้าเสมอเข้าอยช่วเหลือเกือกูลผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมดวงวิญญาณทั้งหลายที่ําเนืองต้องตามบุญอยู่ในขณะนี้ทุกข์ทั้งหมดท่านทั้งหลายจึงยินดีและขอบุญของชาวเจ้าอย่เดิมเนื่อรับบุลแล้วต้องการสิ่งใดก็สมความปรารถนาด้อยมาผลบุญที่สาวเจ้าใดที่ขระนี้เมื่อสมความปรารถนาและตกับลับสาย คุ้มรดูแลยเหือเพื่อนหมิ่นใช้ในกาสิงใดให้มีแต่ความหวัดีมีแจ่ความสำรมีแต่ความเจริญุ่งเรือให้ยืนข้นไปด้วย้าประเาจำมันทาบุญแล้วก็อุทิศบุญไปให้กันไปความรู้สึกเต็มใจให้บุญและเตใจให้บุญพอใจให้บุญเขายินดีรับเอาบุญเราอยย้าไปที่ไหนย้าได้ ยำบ่อยๆ ไ, ได้กำลังทุนบุญจะได้มากขึ้นโดยเฉพาะคุณที่ราอยากทุนบุญไดาวันนี้พอแค่นี้นะ